พระพุทธเจ้าส่งสอนให้พุทธศาสนิกชนรู้จักการเสียสละจาระแปลว่าการเสียสละการเสียสละนี้จะทำให้เราได้สิ่งที่มีคุณค่ากว่าชีวิตจิตใจก็คือธรรม ทำก็คือการเสียสละถ้าเราเสียสละเราก็จะได้ทำทำในที่นี้ก็คือความสงบนั่นเองความสงบของใจที่เป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าความสุขทั้งปวงถ้าเราอยากจะได้ความสงบอยากจะได้ความสุขที่ ยิ่งใหญ่กว่าความสุขทั้งปวงเราก็ต้องรู้จักการเสียสละเพราะว่าสิ่งที่เราต้องเสียสละนั้นเป็นสิ่งที่ทําให้เราเกิดความทุกข์ขึ้นมานั่นเองเพราะสิ่งที่เรารักเราหวงที่เราไม่อยากจะเสียสละเป็นสิ่งที่จะต้อง จากเราไปในที่สุดเพราะเป็นของชั่วคราวเช่นทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองต่างๆอวัยวะของเราชีวิตของเราของเหล่านี้เป็นของที่เรารักมากหวงมากแต่เป็นของที่จะทําให้เราต้องทุกข์มากเช่นเดียวกันแต่ถ้าเรารู้จักเสียสละ รู้จักปล่อยวางไม่ยึดไม่ติดกับทรัพย์สมบัติไม่ยึดไม่ติดกับอวัยวะไม่ยึดไม่ติดกับชีวิตเราก็จะไม่ต้องทุกข์กับมันแล้วเราก็จะได้ความสงบได้ความสุขที่เกิดจากการปล่อยวาง ความสุขและความทุกข์ของใจเรานี้อยู่ที่การปล่อยวางหรือการยึดติดนี่เองถ้าเรารู้จักปล่อยวางเราจะไม่ทุกข์กับสิ่งต่างๆถ้าเรายึดติดกับสิ่งต่างๆเราก็จะเกิดความทุกข์เกิดความวุ่นวายใจขึ้นมาเพราะสิ่งต่างๆ ในโลกนี้เป็นสิ่งที่ไม่สามารถที่จะตอบสนองความต้องการของเราได้คือความปรารถนาที่จะให้เขานั้นอยู่กับเราไปตลอดให้ความสุขกับเราไปตลอดเพราะเขาเป็นสิ่งที่ไม่ถาวรเป็นสิ่งที่ต้องเสื่อมไป ต้องหมดไปเป็นธรรมดาถ้าเราไปยึดไปติดกับสิ่งที่ต้องสูญสิ้นต้องหมดไปเป็นธรรมดาเราก็จะต้องเสียอกเสียใจเวลาที่เกิดการพัดพรากจากกันแต่ถ้าเรารู้จักการเสียสละรู้จักการปล่อยวางรู้จักการทำใจให้สงบ เราก็จะไม่เสียใจเราจะไม่เดือดร้อนจะไม่วุ่นวายใจกับการสูญเสียสิ่งต่างๆที่เรารักที่เราหวงไปเนี่ยการปฏิบัติของพวกเรานี้ก็เป็นการปฏิบัติเพื่อปล่อยวางสิ่งต่างๆที่เรารักเราหวงนั่นเอง สิ่งที่เรารักเราหวงกันก็คือทรัพย์สมบัติข้าของเงินทองอวัยวะของร่างกายและชีวิตของร่างกายนี้เป็นสิ่งที่เรารักเราหวงมากแต่เป็นสิ่งที่จะทำให้เราทุกข์มากสิ่งที่เราควรจะรักควรจะหวงไม่ควรเป็นทรัพย์ไม่ควรเป็นอวัยวะ ไม่ควรเป็นชีวิตแต่ควรเป็นธรรมธรรมก็คือความสงบที่เรียกว่าโอเบขาธรรมอุเบขาธรรมนี้เป็นธรรมที่จะทำให้ใจเรามีความสุขไม่ทุกข์ไม่วุ่นวายไปกับการพาดพลากจากกาันจากสิ่งต่างๆไป ถ้าเรามีอุเบกขารรมีความสงบเราจะไม่ทุกข์จะไม่วุ่นวายใจไปกับการพัดพรากจากทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองจากอวัยวะของร่างกายจากชีวิตของร่างกายที่จะต้องมีวันเกิดขึ้นอย่างแน่นอนในอนาคตข้างหน้าที่จะที่จะตามมานี้ เราจะต้องมีการพัดพร่าจากทรัพจากอวัยวะและจากชีวิตของร่างกายนี้ไปพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้พวกเรามาฝึกพ้นกันฝึกพ้นการเสียสละกันให้เสียสละทรัพเพื่อรักษาอวัยวะสละอวัยวะเพื่อรักษาชีวิต และสละชีวิตเพื่อรักษาธรรมธรรมก็คือความสงบนั่นเองาการเสียสละทรัพย์ก็คือการไม่ไปหาทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองมาให้มันมากเกินความต้องการเกินความจำเป็นต่อการรักษาอวัยวะต่อการรักษาชีวิตนั่นเอง เพื่อที่เราจะได้มีเวลามารักษาธรรมมารักษาความสงบของใจถ้าเรามัวแต่ไปหาทรัพย์มามากๆเพื่อที่จะมาซื้อความสุขทางร่างกายทางตาหูจมูกปิ้นกายเราก็จะไม่มีเวลาที่จะมารักษาความสงบของใจ มาสร้างความสงบของใจให้เกิดขึ้นสร้างอุเบกขา ร, รมให้เกิดขึ้นดังนั้นเราจึงต้องสละทรัพย์ด้วยการไม่หาทรัพย์มากเกินกว่าที่เราต้องมีไว้สำหรับในการดูแลรักษาอวัยวะดูแลรักษาชีวิตของร่างกายนี้เพื่อที่เราจะได้มีเวลามารักษาธรรม มารักษาอุเบกขามารักษาความสงบมารักษาความสุขที่เกิดจากความสงบนี้ถ้าเราไม่ต้องเสียเวลากับการไปหาทรัพย์เราก็จะมีเวลาที่จะมาหาความสงบกันมาหาความสุขที่เกิดจากความสงบกันเราจะได้ไป อยู่ตามสถานที่สงบสงัดวิเวกเพื่อที่เราจะได้เจริญสติที่เป็นธรรมที่จะดึงใจให้เข้าสู่ความสงบให้เข้าสู่อุเบกขาธรรมถ้าเราไม่มีเวลาไปปลีกวิเวกไปอยู่ตามลาพังไปเจริญสติมัวแต่หาทรัพย์แล้วก็มัวแต่ ใช้ทรัพย์ที่ได้มาเราก็จะไม่มีเวลาที่จะมาหาความสงบสุขทางใจได้ mm hmm. การสละทรัพย์นี้ก็ความหมายก็คือถ้าเรามีทรัพย์มากเกินไปก็อย่าใช้ทรัพย์เหล่านั้นไปกับการหาความสุขทางตาหูจมูกวิ้นกายทางร่างกาย เพราะมันไม่ได้เป็นการสร้างอุเบกขาให้เกิดขึ้นไม่ได้สร้างความสงบสุขให้แก่ใจแต่เป็นการสร้างตัณหาความอยากให้มีมากขึ้นการสร้างตัณหาก็เท่ากับการสร้างความทุกข์นั่นเองเพราะตัณหานี่แหละคือต้นเหตุของความทุกข์ใจของความวุ่นวายใจของความไม่สบายใจต่างๆ เราจึงไม่ควรที่จะใช้ทรัพย์ที่เรามีมากเกินความจำเป็นที่เราจะต้องมีไว้สำหรับในการดูแลรักษาร่างกายของเราถ้าเรามีมากเกินไปเราก็ควรที่จะบริจาคเสียสละให้แก่ผู้อื่นไป เพื่อเราจะได้ไม่ต้องมาคอยดูแลรักษา ừ. การดูแลรักษาทรัพย์ก็เป็นการสร้างความทุกข์ให้แก่ใจเพราะการดูแลรักษานี้ก็หมายความว่าเรายังรักยังหวงในทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองอยู่นั่นเองถ้าเรายังมีความรักความหวงอยู่เวลาที่เราจะต้องจาก ทรัพสมบัติเข้าของเงินทองไปก็จะเป็นเวลาที่เราจะมีความทุกข์แต่ถ้าเราไม่รักไม่หวงเวลาเราจากทรัพสมบัติเข้าของเงินทองไปเราจะจากด้วยความสงบจากด้วยความสุขจะไม่รู้สึกเดือดร้อนวุ่นวายไปกับการพัดพรากจาก ทรั ส, สมบัติเข้าของเงินทองนี่คือการสละทัพย์สละด้วยการแบ่งปันทรัพย์ที่เรามีมากเกินไปให้แก่ผู้อื่นแล้วก็สละด้วยการไม่หาทรัพย์มาเพิ่มขึ้นอีกสละทรัพย์ด้วยการไม่ใช้ทรัพย์ไปซื้อความสุขต่างๆเพราะการซื้อความสุขต่างๆด้วยทรัพย์นี้เป็นการซื้อความทุกข์ เพราะว่าการซื้อความสุขต่างๆนี้ไม่ได้ทำให้เกิดอุเบกขาให้เกิดความสงบสุขทางใจแต่กลับให้เกิดตัณหาความอยากที่จะซื้อความสุขต่างๆมากขึ้นไปเรื่อยๆแล้วเวลาที่ไม่สามารถที่จะซื้อความสุขต่างๆด้วยซับได้ ก็จะเป็นความทุกข์แต่ถ้าเราเอาทรัพย์ที่เราไปซื้อความสุขต่างๆนี้เอามาบริจาคให้แก่ผู้อื่นสิ่งที่เราจะได้รับก็คือความสงบสุขของใจเราจะไม่เสียดายเราจะไม่หวงทรัพย์ที่เรามีอยู่หรือทรัพย์ที่เราเสียไป แต่เรากลับจะมีความสุขมีอุเบกขาเกิดขึ้นมานี่คือเรื่องของการเสียสละเราต้องเสียสละความสุขทางร่างกายไปถ้าเราอยากจะได้ความสุขทางใจเพราะว่าความสุขทางร่างกายกับความสุขทางใจนี้เป็นคนละทิศทางกันเป็นคนละแบบกัน ไม่สามารถที่จะมีความสุขทั้งสองแบบได้เราต้องเลือกเอาแบบใดแบบหนึ่งถ้าเราเอาความสุขทางทรัพย์ทางร่างกายเราก็จะต้องทุกข์เพราะว่าทรัพย์ก็ดีร่างกายของเราก็ดีจะต้องมีวันเสื่อมมีวันหมดไปมีวันที่เราจะไม่สามารถ ใช้ทรัพย์ใช้ร่างกายหาความสุขให้กับเราได้แต่ถ้าเรามาหาความสุขทางใจเราจะได้ความสุขไปตลอดเพราะใจของเรานี้ไม่มีวันเสื่อมไม่มีวันสลายไม่มีวันสิ้นสุดความสุขความสงบที่เราได้ จากใจก็จะไม่มีวันสิ้นสุดเช่นเดียวกันจะอยู่คู่กันไปตลอดเช่นความสุขของพระพุทธเจ้าและความสุขของพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายที่เราเรียกว่าบรล ม, มะสุขนี้เป็นความสุขที่จะอยู่คู่ไปกับใจไปตลอดถึงแม้ว่าร่างกายของพระพุทธเจ้าจะ จะดับไปนานถึงสองพันห้าร้อยกว่าปีแล้วก็ตามแต่ความสุขใจของพระพุทธเจ้านั้นก็ยังอยู่คู่กับใจของพระพุทธเจ้าจนบัดนี้และจะอยู่ต่อไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุดใจของพระพุทธเจ้ากับใจของพวกเรานี้เป็นใจเหมือนกันเป็นใจที่ไม่มีวัน เื่อมไม่มีวันสลายไม่มีวันสิ้นสุดเหมือนกันต่างกันตรงที่ว่าใจของพระเจ้านี้เต็มไปด้วยบรล ม, มัสุขคือความสุขที่เกิดจากความสงบของใจส่วนใจของพวกเรานี้เต็มไปด้วยบรล ม, มทุกที่เกิดจากตัณหาความอยากต่างๆที่พวกเรา คอยส่งเสริมคอยสนับสนุนอยู่อย่างต่อเนื่องทุกครั้งที่เราอยากได้อะไรแทนที่เราจะคิดว่าเป็นการสร้างความทุกข์ให้กับเราเรากลับไปคิดว่าเป็นการสร้างความสุขให้กับเราแต่ความจริงแล้วมันเป็นการสร้างความทุกข์ให้อยู่กับเราต่อไปเรื่อยๆนั่นเอง ทุกวันนี้เราจึงยังไม่พ้นจากความทุกข์กันก็เพราะว่าเรายังทำตามความอยากกันอยู่เราอยากจะได้อะไรเราก็ไปหามาพอได้มาแล้วความอยากนั้นก็จะหยุดพักชั่วคราวแล้วต่อมาไม่นานความอยากใหม่ก็จะเกิดขึ้นมาเราก็จะต้องไป หามาอีกหามาเรื่อยๆหามาได้เท่าไหร่ก็จะไม่พออยู่นั่นเพราะความอยากจะไม่มีวันหมดไปจากการกระทําตามความอยากความอยากนี้จะหมดไปก็ต่อเมื่อเราไม่ทําตามความอยากถ้าเราไม่ทําตามความอยากต่อไปความอยากก็จะหมดไปเอง พอไม่มีความอยากใจของเราก็จะตั้งอยู่ในอุเบกขาตั้งอยู่ในความสงบได้ความอยากนี่แหละเป็นตัวที่ทำให้ใจของเราวุ่นวายตั้งแต่เล้ว อ, อยากเลยพอเราอยากได้อะไรถ้าเราเป็นผู้ที่สังเกตใจอยู่ตลอดเวลา เราจะเห็นว่าใจนี้เริ่มกับเพิ่มขึ้นมาใจเริ่มมีความกวนกวายกัพส์บกระสายบางทีถึงกับกินไม่ได้นอนไม่หลับอยากจะได้สิ่งนั้นสิ่งนี้นี่จนกระทั่งบางทีอดรนทนไม่ไหวไม่มีความมั่นใจถึงกับต้องไปพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆไปบนบานขอพร จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆให้โดนบันดาลให้ได้ตามความอยากโดยที่ไม่รู้เลยว่าเป็นการสร้างความทุกข์ให้แก่ใจไปและสิ่งที่ได้มาก็จะเพิ่มความทุกข์ให้กับใจขึ้นมาอีกเพราะว่าเมื่อได้สิ่งที่รักที่ชอบมาแล้ว ก็จะเกิดความยึดมั่นถือมั่นหยิดเกิดความรักเกิดความหวงเ oh. กิดความหวงความรักความหวงความหวงนี้ oh. ก็เป็นทุกข์ขึ้นมาอีกแบบหนึ่งจะวิตกกังวลว่าจะอยู่กับเราไปได้ตลอดหรือจะต้องจากเราไปเมื่อไหร่แล้วพอเวลาที่เขาจากเราไป เราก็ทุกข์อีกนี่คือผลที่เกิดจากการกระทําตามความอยากจะนําพาไปสู่ความทุกข์หลายรูปแบบด้วยกันทุกข์ตั้งแต่เริ่มอยากขึ้นมาจนไปถึงได้สิ่งที่ได้ที่อยากได้มาพอได้มาแล้วก็ต้องมาทุกข์กับการดูแลรักษาทุกข์กับความห่วงใยทุกข์กับความหวง เราก็พอเวลาที่เสียไปก็ต้องมาทุกขกับการสูญเสียเพราะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามสิ่งต่างๆในโลกนี้มีมาแล้วก็ต้องมีไปถ้าเขาไม่ไปเราก็ไปจากเขาเพราะไม่ช้าก็เร็วร่างกายของเรานั้นก็ต้องถึงวันสิ้นสุดลง เมื่อถึงวันสิ้นสุดลงเราก็ไม่สามารถที่จะใช้ร่างกายดูแลรักษาทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองต่างๆที่เราหามาด้วยความอยากได้เราก็ต้องจากทุกสิ่งทุกอย่างที่เราหามาได้ไปเราก็ต้องเจ้าโศกเสียใจกับการสูญเสียกับการพัดพากจากกันไป นี่คือหนทางของการก็ททำตามความอยากการทำตามความอยากจะดึงให้เราเดเข้าสู่ความทุกข์ต่างๆถ้าเราไม่ต้องการที่จะเจอกับความทุกข์ต่างๆเหล่านี้เราก็ต้องไม่ทำตามความอยากวิธีที่เราจะไม่ทำตามความอยากได้เราก็ต้องทำใจให้สงบ ทำใจให้เป็นอุเบกขาให้ได้การที่เราจะทำใจให้สงบให้เป็นอุเบกขาได้เราก็ต้องมีสติสตินี้จะเป็นผู้ที่จะหยุดความคิดต่างๆถ้าเราหยุดความคิดต่างๆได้ด้วยสติเราก็จะหยุดความอยากต่างๆได้เพราะความอยากต่างๆก็เกิดจากความคิดนี้เอง ถ้าเราคิดถึงสิ่งนั้นสิ่งนี้เราก็จะเกิดความอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้หรืออยากให้สิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ถ้าเราไม่ได้คิดถึงสิ่งนั้นสิ่งนี้เราก็จะไม่มีความอยากกับสิ่งนั้นสิ่งนี้ถ้าเราคิดอยู่กับคําบริกรรมเช่นพุทโธพุทโธไปอยู่เรื่อย โอกาสที่ความคิดจะมาสร้างความอยากให้กับเรานี้ก็จะไม่มีแต่ถ้าเวลาอะไรที่เราเผลอเราไม่บริกรรมพุโทโธหรือเราปล่อยให้ความคิดคิดออกมาเดี๋ยวความคิดนั้นก็จะคิดไปในทางความอยากแล้วพอเกิดความอยากขึ้นมาใจของเราก็จะเริ่มมีความวุ่นวายใจขึ้นมา แลวจะอยู่ไม่เป็นสุขจะและจะต้องไปทำในสิ่งที่ความอยากต้องการถึงจะหายจากความวุ่นวายจากความกวนกวายแต่ก็เป็นการหายชั่วระยะสั้นๆชั่วขณะที่ความอยากนั้นสงบตัวลงหลังจากที่ได้สิ่งที่อยากได้แต่ หลังจากนั้นไปไม่นานความอยากอันใหม่ก็จะโผล่ขึ้นมาใหม่เราจรึงต้องพยายามเจริญสติการอยู่อย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความคิดปรุงแต่งที่จะคิดไปในทางความอยากถ้าเราสามารถเจริญสติจนสติของเราสามารถหยุดความคิดปรุงแต่งได้จิตของเราก็จะสงบ จะเป็นอุเบกขาจะมีความสุขจะมีความอิ่มจะไม่รู้สึกอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้แต่มันเป็นความสงบชั่วคราวมันไม่สงบอย่างถาวรไม่นานความจิตก็จะต้องถอนออกจากความสงบแล้วก็จะออกมารับรู้เรื่องราวต่างๆ ผ่านทางตาหูจมูกรินกายผ่านทางความคิดปรุงแต่งต่างๆถ้าเราอยากจะไม่ให้จิตของเราคิดไปในทางความอยากเราก็ต้องสอนจิตให้คิดไปในทางที่ไม่เกิดความอยากวิธีที่จะคิดไปในทางที่ทำให้จิตไม่เกิดความอยากก็ให้คิดไปตามความจริงของสิ่งต่างๆ ที่เราไปรักไปชอบไปอยากได้นั่นเองเราชอบเงินทองอยากได้เงินทองเราก็ต้องคิดไปว่าเงินทองนี้เป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนเวลาได้มาก็ดีอกดีใจกันแต่เวลาเสียไปหรือเวลาไม่ได้มาก็เป็นเวลาที่เสียอกเสียใจให้คิดอย่างนี้ว่า สิ่งที่เราอยากได้นั้นมันไม่แน่นอนเวลาได้ก็ดีใจแต่เวลาเสียก็จะเสียใจแล้วก็ไม่ว่าจะได้อะไรมามากน้อยเท่าไหร่ก็ต้องเสียไปหมดในที่สุดเพราะเราจะต้องจากโลกนี้ไปไม่ช้าก็เร็วเราจะต้องเสียทรัพย์เสียอวัยวะเสียชีวิตไป แล้วเวลาที่เราเสียเราก็จะเสีย อ, อกเสียใจเศร้าโศกกันทุกทรนทนใจกันถ้าเราคิดแบบนี้เวลาที่เราอยากจะได้ทรัพย์หรือได้อะไรต่างๆเราก็จะเห็นโทษของมันเห็นว่าเป็นการเดินเข้าสู่กองทุกข์ไม่ใช่เป็นการเดินเข้าสู่กองสุขถ้าเราเห็นอย่างนี้ เราก็จะไม่อยากได้เราก็จะมาอัพความอยากได้สิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ได้ถ้าเราเห็นว่าเขาไม่เที่ยงเขาเป็นทุกข์เขาไม่ใช่ทรัพ์สมบัติข้าวของเงินทองเขาไม่ใช่เป็นสมบัติของเราเขาเป็นสมบัติชั่วคราวเป็นเหมือนกับสมบัติยืมเขามาถึงเวลาก็จะต้องคืนเขาไป ลูอย่าไปหาสมบัติเหล่านี้ดีกว่าให้มาหาสมบัติที่เป็นของเราอย่างแท้จริงก็คือความสงบหรืออุเบกขาธรรมนี้ที่เราได้จากการควบคุมใจด้วยสติควบคุมใจไม่ให้คิดปรุงแต่งไปในทางความอยากพอใจเราไม่คิดไปในทางความอยากอุเบกขาธรรมหรือความสงบที่เราได้จากการ ทำใจให้สงบมันก็จะอยู่กับเราต่อไปมันจะให้ความสุขกับเราไปเรื่อยๆตราบใดที่ไม่มีความอยากปรากฏขึ้นมาตราบใดที่มีความอยากปรากฏขึ้นมาความสงบหรืออุเบกขานั้นก็จะหายไปเป็นเหมือนเหรียญสองด้านคือความอยากกับอุเบกขานี้เป็นเหมือนเหรียญอันเดียวกัน แต่เป็นคนละด้านกันถ้าเราหงายเหรียญด้านหนึ่งขึ้นมาเหรียญอีกด้านหนึ่งก็จะคว่มลงไว้ถ้าเราหงายความอยากขึ้นมาด้านอุเบกขาก็จะถูกคว่มเอาไว้ถ้าเราหงายอุเบกขาขึ้นมาด้านตันหาก็จะถูกคว่ำเอาไว้ธรรมทั้งสองอันนี้เป็นธรรมที่สลับการแสดงตัว ถ้ามีอุเบกขาก็จะไม่มีตัณหาถ้ามีตัณหาก็จะไม่มีอุเบกขาถ้ามีอุเบกขาก็จะมีความสุขถ้ามีตัณหาก็จะมีความทุกข์นี่คือธรรมชาติของใจของพวกเราทุกคนเป็นอย่างนี้ที่เป็นสุขเป็นทุกข์กันอยู่ทุกวันนี้ก็ขึ้นอยู่กับอุเบกขาและตัณหานี้เองเวลาเกิดตัณหานี้ ความสงบหายไปความทุกข์ความวุ่นวายใจเกิดขึ้นมาเวลาตันหาหายไปเวอุเบกขาปรากฏขึ้นมาก็จะเกิดความสงบเกิดความสุขเกิดความสบายขึ้นมาดังนั้นเราจึงต้องมาทำลายตันหาเพื่อที่จะรักษาอุเบกขาให้อยู่ คู่กับใจไปตลอดการจะทำลายตัณหาได้ก็ต้องทำลายด้วยปัญญาด้วยอนิจจังทุกขังอนัตตาตามจริงมันฟังมันน่าจะง่ายนะเพราะทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันเหมือนกันหมดมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเหมือนกันหมดทาไมเราไม่เห็นมันทำไมเรายังไปหลงไปรักไปชอบยังไปอยากได้มันอยู่ เช่นลาบยศสรรเสริญรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐะสิ่งเหล่า น, นี้มันเป็นอนิจจ์มีเจริญมีเสื่อมเป็นธรรมดาแต่พอเราได้อะไรมาแล้วเรามักจะลืมความจริงไปแล้วเราก็จะถูกความหลงหลอกให้เราอยากให้มันอยู่กับเราไปนานๆอยากจะให้มันเจริญเพียงอย่างเดียวไม่อยากให้มันเสื่อม ซึ่งมันเป็นการฝืนธรรมชาติฝืนความจริงเพราะว่าธรรมชาติของทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มีเจริญต้องมีเสื่อมเป็นธรรมดาเราจึงต้องคอยสอนใจเตือนใจอยู่เรื่อยๆว่าอย่าไปยุ่งอย่าไปเกี่ยวข้องอย่าไปมีความสัมพันธ์มีความผูกพันกับสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้มันเป็นของฟอ ร, รม์ม มันเป็นความสุขปลอมมันเป็นความสุขตอนที่มันจเจริญแต่เวลาที่มันเสื่อมมันจะกลายเป็นความทุกข์ไปเราไม่ต้องมีสิ่งเหล่านี้ให้ความสุขกับเราได้เพราะมีสิ่งที่ดีกว่าให้ความสุขกับเราสิ่งที่ดีกว่าที่ให้สิ่งที่ให้ความสุขที่ดีกว่ากับเราก็คือความสงบนี้เองคืออุเบกขาธรรมคือการ นั่งสมาธิการทําใจให้รวมเป็นหนึ่งเรียกว่าอัปปนาสมาธิการจะรวมเป็นหนึ่งก็ต้องใช้กําลังของสติเป็นผู้ดึงหรือผลักดันเข้าไปใจของเรานี้จะมีพลังอยู่สองฝ่ายด้วยกันพลังหนึ่งนี้จะผลักดันจิตของเราให้ออกไปข้างนอกออกไปทางตาหูจมูกวิ้นกาย เรียกว่าตันหาตันหานี่แหละเป็นตัวที่ดันใจของเราให้ออกไปหารูปเสียงกลิ่นรสผุธพะที่เรียกว่ากามตันหาแล้วก็ดันให้เราไปหาวิภาวะหาภาวะตันหาวิภาวะตันหากับภาวะตันหาเป็นตัวที่ดันให้ใจของเราออกไปวุ่นวายกับเรื่องราวต่างๆ อยากเป็นใหญ่เป็นโตอยากร่ำอยากรวยนี้ก็เป็นตัวภาวะตัญหาผลดั้นไปตัวที่อยากไม่ให้สิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นสิ่งอย่างนี้เป็นอย่างนี้อยากไม่ให้ลาบยศสารเสริญเสื่อมลงไปอยากไม่ให้ร่างกายแก่เจ็บตายอันนี้ก็เรียกว่าวิภาวตันหาตัญหาทั้งสามนี้มันจะคอยผลักใจของเรา ให้ออกไปข้างนอกออกไปสู่ความวุ่นวายสู่ความทุกข์ต่างๆเพราะสิ่งต่างๆที่ใจของเราออกไปสัมผัสรับรู้ไปเกี่ยวข้องด้วยนั้นเป็นความทุกข์ทั้งนั้นทุกเพราะว่ามีการเจริญมีการเสื่อมนั่นเองสุขตอนเจริญแต่พอเวลาเสื่อมนี่ทุกถึงกับบางทีอยากจะฆ่าตัวตายไปะ พลังอีกพลังหนึ่งที่จะผลักใจให้เข้าสู่ข้างในให้เข้าสู่สมาธิให้เข้าสู่อัปปนาก็คือสติสติหรือปัญญาสองตัวนี้จะเป็นตัวที่จะดันลืดดึงใจให้เข้าสู่ข้างในจะใช้สติก็ได้จะใช้ปัญญาก็ได้แล้วแต่ว่าเรามีความสามารถที่จะใช้ทำอย่างใดถ้าเรายัง ใช้ปัญญาไม่เป็นก็ใช้สติไปก่อนเพราะสตินี้ง่ายกว่าการใช้ปัญญาการใช้ปัญญานี้ต้องเห็นอนิจจงเห็นทุกขังเห็นอนัตตาของสิ่งต่างๆที่ตันหาความอยากคอยดันใจให้ไปแสวงหาถ้าเห็นว่าเป็นอนิจจงทุกขังอนัตตาใจก็จะหยุดตันหาความอยากได้ พอหยุดตันหาความอยากได้ใจก็จะเข้าสู่ความสงบได้ถ้ามองไม่เห็นอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาก็ต้องใช้สติช่วยไปก่อนสติก็คือการจดจ่ออยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่ให้ใจไปคิดถึงเรื่องต่างๆที่ทำให้เกิดตันหาความอยากขึ้นมาเชนะ่นให้บริกรรมพุทโธพุทโธไป ใจก็จะไม่สามารถไปคิดถึงลาบยศเสริญคิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสผลภาได้เมื่อไม่คิดถึงความอยากก็จะหายไปใจก็เข้าสู่ความสงบเป็นอุเบกขาได้เหมือนกันแต่การเข้าสู่เบกขาด้วยสตินี้เป็นการเข้าชั่วคราวเพราะว่าไม่สามารถทำลายตันหาความอยากได้ เพียงแต่ดันตันหาความอยากให้กลับเข้าไปข้างในเท่านั้นพอเวลาที่สติอ่อนกำลังเมื่อไหร่ตันหาความอยากก็จะดันใจออกมาหาลาบยศจลเสญหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายต่อไปแต่ถ้าดันเข้าไปด้วยปัญญานี้ก็เป็นการทำลายตันหาอย่างทาวรเพราะปัญญานี้จะ ทำลายรากเงาของตัณหาความอยากก็คือความหลงการที่ทำให้การที่เรามีความอยากก็เพราะว่าเรามีความหลงห <lex ic ill in> ลงไปเห็นสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุขนั่นเองหลงไปเห็นสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงหลงไปเห็นสิ่งที่ไม่ใช่ของเราว่าเป็นของเราคือไปเห็นว่าสิ่งที่เป็นอนิจจังทุกขขังอนัตตานี้ เป็นนิจยังสุขขังอัตตานั่นเองเราจึงต้องใช้ปัญญาที่พระพุทธเจ้าได้ส่งค้นพบ ว, ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ได้เป็นนิจยังสุขขังอาตาัต่าทุกสิ่งทุกอย่างนี้มันเป็นอนิจยังทุกขังอนัตตาถ้าเราสามารถมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างว่าเป็นอนิจยังทุกขังอนัตตาได้เราก็จะสามารถทําลายความอยากในสิ่งต่างๆได้ นี่คือวิธีที่เราจะทําให้ใจเข้าสู่ความสงบได้อย่างถาวรก็คือต้องทำลายความอยากด้วยปัญญาต้องทำลายต้นเหตุของความอยากก็คือความหลงความเห็นผิดเป็นชอบเห็นอนิจจังเป็นนิจจังเห็นทุกขังเป็นสุขขังเห็น ขาน้ตตาเป็นอัตตานั่นเองไม่เชื่อลองพิจารณาดูสิ่งต่างๆที่เรามีอยู่นี้เรามักจะคิดอยู่เรื่อยๆว่าเป็นนิจจังเป็นสุขขังเป็นอัตตามีทรัพย์ก็คิดว่าเป็นสุขแล้วก็คิดว่าทรัพย์นี้จะต้องอยู่คู่กับเราไปตลอดเป็นของเราไปตลอดแต่พอวันดีคืนดีเกิดสูญเสียทรัพย์ไปนี่ ก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาทันทีและอาจจะทุกข์ถึงกับต้องฆ่าตัวตายไปเพราะไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจรับกับเหตุการณ์เลบรับกับความจริงที่จะโผล่ขึ้นมาที่จะปรากฏขึ้นมาแต่ถ้าเรามีปัญญาคอยเตือนใจสอนใจอยู่เรื่อยๆว่าทรัพย์นี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเราก็จะไม่ไปแต่ไม่ไปเกี่ยวข้อง ไม่ไปอาศัยทรัพย์ไม่ใช้ทรัพย์แล้วก็มาหาความสุขจากการทําใจให้สงบดีกว่าเมื่อเราไม่ใช้ทรัพย์เราใช้สติใช้ปัญญาในการสร้างความสุขที่แท้จริงให้กับใจเวลาที่เราสูญเสียทรัพย์ไปเราจะไม่รู้สึกเดือดร้อนเลยเช่เนบุคคลที่สละทรัพย์เช่นพระพุทธเจ้าพระอาหารหันต์ตาวกทั้งหลาย เพื่อที่จะออกมาบวชเพื่อที่จะได้มีเวลามาสร้างสติสร้างปัญญาเพื่อสร้างความสงบสร้างอุเบกขาให้เกิดขึ้นภายในใจพอได้ความสงบได้อุเบกขาก็จะได้ความสุขที่แท้จริงได้ความสุขที่ถาวรจะไม่ต้องพึ่งพาอาศัยทรัพย์เป็นเครื่องมือในการหาความสุขมาให้แก่ใจ ก็เป็นการหาความสุขชั่วคราวและเวลาที่ไม่สามารถที่จะหาที่จะมีทรัพย์หาความสุขได้เวลานั้นก็จะกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาแทนนี่คือวิธีการที่เราจะสร้างความสุขภายในใจของเราสร้างได้สองวิธีวิธีที่ง่ายแต่เป็นวิธีชั่วคราวก็คือสติให้เราจเจริญสติควบคุมความคิดปรุงแต่ง อย่าให้ไปคิดถึงสิ่งต่างๆเช่นลาบยศสลรเสริญรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐะเพรา ะ, ระถ้าเราคิดถึงลาบยศสารเสริญคิดถึงรูปเสียงกลพพิ่นรสโผฏฐะก็จะเกิดความอยากขึ้นมาพอเกิดความอยากใจก็จะต้องเื่นน้นไปหาใจก็จะต้องวุ่นวายกับการหาวุ่นวายกับการดูแลรักษาแล้วก็ต้องวุ่นวายกับการสูญเสียวุ่นวายกับการพัดภาคจากกัน ถ้าเราใช้สติเราก็จะระ ง, งับตัณหาความอยากได้แต่ไม่สามารถทำลายตัณหาความอยากได้เพราะใจก็ยังเห็นว่าลาบยศสารเสริญสุขนี้เป็นสุขเป็นของเราเป็นของที่ถาวรเป็นของที่จะอยู่คู่กับเราไปตลอดพอเวลาที่เราอ่อนสติลงไปเพลสติ ตันหามันก็จะออกมามันก็จะดันให้เราไปหาราบยศสารเสริญสุขต่อไปแต่ถ้าเราใช้ปัญญาทำลายตันหาทำลายรากเง้าของตันหาคือความหลงคือความหลงที่คิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นสุขเป็นของเที่ยงแท้แน่นอนเป็นของเราด้วยการใช้ความจริงความจริงก็คือทุกสิ่งทุกอย่าง ไม่เที่ยงแท้แน่นอนทุกสิ่งทุกอย่างเป็นทุกทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่เป็นของเราแลวต้องมีการพัดพากจากกันไปในวันใดวันหนึ่งอย่างแน่นอนถ้าเรามีความรู้ความเห็นอย่างนี้เราก็จะสามารถทําลายความหลงที่เป็นตัวหลอกให้ใจไปเกิดความอยากได้ลาบยศสรรเสริญอยากได้รูปเสียงกลิ่นรสผลทพามา แล้วก็จะไม่มีตัณหาหลงเหลืออยู่ภายในใจอีกต่อไปนี่คือการสร้างความสุขที่แท้จริงในเบื้องต้นก็สร้างด้วยสติก่อนเพราะสตินี้เป็นสิ่งที่ง่ายกว่าปัญญายกเว้นกรณีของบุคคลที่มีความถนัดทางด้านปัญญาสามารถใช้ปัญญาทำใจให้สงบได้ ก็ใช้ปัญญาได้เลยแต่ต้องเป็นตายรักเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาหรือเป็นอสุภะในกรณีที่จะยับยั้งกามอารมณ์ต่างๆความรักความใคร่ในบุคคล น, นั้นบุคคล น, นี้ต้องใช้อสุภะต้องเห็นว่าบุคคล น, นั้นบุคคล น, นี้ไม่สวยงามอย่างที่คิดกันสวยเฉพาะภายนอกสวยเฉพาะในปัจจุบันในขณะที่เห็นแต่เวลาอื่น นี้ต้องเปลี่ยนไปเช่นเวลาแก่เวลาเจ็บหรือเวลาตายหรือสวยเฉพาะภายนอกสวยเฉพาะที่ผิวหนังแต่ถ้ามองเข้าไปใต้ผิวหนังก็จะเห็นส่วนที่ไม่น่าดูต่างๆที่มีอยู่ภายในร่างกายอันนี้ก็เป็นการใช้เพื่อดับตันหาความอยากที่อยากจะเสพกามกับบุคคล น, นั้นบุคคล น, นี้ เราก็ต้องพิจารณาความไม่สวยไม่งามความโสโครกของอาหารที่เราอยากรับประทานกันอาหารนี่รับประทานได้แต่ควรจะรับประทานเพื่ออยู่เพื่อดูแลรักษาเยียวยารักษาร่างกายให้อยู่เป็นปกติสุขแต่ยารับประทานอาหารด้วยตันหาความอยากเพราะมันจะทำให้รับประทานแบบไม่มีขอบไม่มีเขตและจะทำให้เกิดความทุกข์ตามมาเวลาที่ อยากจะรับประทานแล้วไม่ได้รับประทานก็ต้องพิจารณาความไม่น่าดูของอาหารอย่าไปดูตอนที่อาหารอยู่ในจานให้ดูอาหารเวลาเข้าไปอยู่ในปากเวลาที่เคี้ยวที่ผสมกับน้ำลายแล้วหรือเวลาที่เข้าไปอยู่ในท้องหรือเวลาที่ถ่ายออกมานี่เป็นอาหารทั้งนั้นถ้าเห็นสภาพอาหารที่ไม่น่าดูที่โสกรปรก ความอยากอาหารมันก็จะไม่มีความอยากอาหารนี้ก็เป็นพิษเป็นภัยต่อการบำเพ็ญเพราะถ้ารับประทานอาหารมากเกินไปก็จะทำให้ง่วงเหงาเหงานอนทำให้เกิดความเกลียดคลางขึ้นมาจะเป็นอุปสรรคเป็นการสร้างนิวรขึ้นมาจะทำให้ไม่สามารถที่จะทำใจให้เข้าสู่ความสงบได้ผพ้ที่จะบำเพ็ญเพื่อให้เกิดความสงบนี้จึงต้องรู้จักการ ประมาณในการรับประทานอาหารถ้ามีความอยากรับประทานอาหารก็ต้องใช้อุบายของอาหารเลยปฏิกูลสัญญานี้เกิดพิจารณาดูความไม่สวยงามความสกรปรกของอาหาร mm. เพื่อที่จะได้ตัดขารตันหาความอยาก mm. เพื่อที่จะได้รับรรับประทานอาหาร mm. เพียงพอประมาณพอให้ร่างกายอยู่ได้ mm. เพื่อจะได้ไม่สร้าง ความง่วงเหงาหานอนให้เกิดขึ้นกับกับผู้ปฏิบัตินี่ก็คือเครื่องมือต่างๆที่เรียกว่าปัญญาที่ย่อต้องมีใช้ในการที่จะทำให้ใจเข้าสู่ความสงบถ้าเรามีเครื่องมือเหล่านี้รับรองได้ว่าใจจะท่องสงบอย่างแน่นอนเพราะว่าพระพุทธเจ้าและพระอาลหลันตสามกท่านก็ใช้เครื่องมือเหล่านี้ ท่านใช้สติท่านใช้ปัญญาเพื่อทำใจให้สงบเพื่อทำลายตันหาความอยากให้หมดไปจากใจถ้าเราใช้สติใช้ปัญญาตามที่พุทธเจ้าส่งสอนเราก็จะสามารถทำลายตันหาความอยากต่างๆดับความทุกข์ต่างๆให้หมดไปจากใจได้สร้างความสุขที่ถาวรให้อยู่คู่กับใจไปได้อย่างแน่นอนไม่ได้ขึ้นกับการกับเวลา ไม่จำเป็นว่าจะต้องอยู่ในยุคเดียวกับพระพุทธเจ้าไม่ต้องอยู่ในยุคเดียวที่เดียวกับพระอาหารหันตสาวกธรรมนี้เป็นอาการลิโบอาการลิโกไม่ขึ้นกับการกับเวลาไม่ขึ้นกับสถานที่ขึ้นอยู่กับการบำเพ็ญขึ้นอยู่กับการปฏิบัติถ้าเราจะเจริญสติได้จเจริญปัญญาได้เราจะได้ความสงบกันอย่างแน่นอนเราจะได้ความสงบที่สูงสุดที่เราเรียกว่า พระนิพพานนิพบานังปรมังสุ ข, ขังอย่างแน่นอนดังนั้นขอให้พวกเราพยายามเพียรกันพยายามเจริญสติกันพยายามเจริญปัญญากันพยายามบริจาคเสียสละกันมีอะไรที่ไม่จําเป็นอย่าหวงอย่ารักอย่าเก็บเอาไว้มันจะทําให้เกิดเป็นภาระทางด้านจิตใจ จะถ่วงความเจริญในการสร้างความสงบให้แก่จิตใจสิ่งใดที่มารบกวนใจทำให้ใจเราไม่สงบเราควรจะตัดมันไปอย่าไปเสียดายเพราะไม่ช้าก็เร็วมันก็ต้องจากเราไปหรือเราก็ต้องจากมันไปอยู่ดีขอให้เราจากด้วยความยินดีดีกว่าเพราะจะทำให้เราได้ความสงบถ้าเราจากด้วยความไม่ยินดีเราจะได้ความวุ่นวายได้ความทุกข์ จึงขอฝากเรื่องของการมาหัดเสียสละมาหัดเจริญสติมาหัดเจริญปัญญาการ น, นี้ให้ท่านได้นำเอาไปเพณิพิจารณาและปฏิบัติเพื่อความสงบที่เป็นสมบัติที่แท้จริงของพวกเราที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พร ยะถาวะริวะหาปุระปลริปุเรนติสากหลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปปักปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิดป้เมวะสมิจจตุสัเพปุเรนตุส so ังกาปาจันโทปนาระโสยะถามณิโชติ อะระโสยะาสพีติโยวิวัจจันตุสัพโรโควินัสตุมาเตภวะตวันตราโยสุขีทีขาโยโผวาอะภิวาธนศีลิตสะนิจจังวุทฒาปจายโนจตารโหธรรมวัฏติอายุวโนโอสุขัง าาตอนนี้ก็เป็นช่วงถามตอบปัญหาท่านผู้ใดมีคำถามขอความกรุณาผ่านถามตอนนี้ได้เลยเพราะว่าหลังจากที่ยุติการถามตอบแล้วปิดไมโครโฟนแล้วก็จะขอความกรุณาไม่ไม่ตอบปัญหาต่อไป ดังนั้นถ้าใครอยากจะถามอะไรในช่วงนี้ก็ขอความกรุณาถามได้เลยถ้าไม่มีใครถามก็จะให้ทางพิธีกรอาถามปัญหาผ่านทางบ้านมาก่อนอครับขอขออนุญาตเรียนเรียนถามปัญหาธรรมการปฏิบัติธรรมพาวนากับพระอาจารย์นะครับ คือมีตั้งใจจะขึ้นมาบนเขานี้อยากจะมาถามปัญหาธรรมครับก็ถามเรื่องการปฏิบัติสมาธิครับก็คืออยากจะขอเรียนเรียนกล่าวนิดนึงคือก่อนหน้านี้ครับก่อนที่เป็นเด็กมายันเรียนมหาลัยเนี่ยไม่เคยรู้จักสายหลวงปู่มั่นเลยครับหรือว่าหลวงตาหมาบัวครับก็ตอนนั้นตอนอยู่ประมาณปีสามตอนเรียนมหาลัยก็เพื่อนๆก็ส่วนใหญ่จะนับถือหลวงพอ่อฤาษียิงดำกันนะครับก็มีโอกาสได้ปไดปปฏิบัติธรรมกับหลวงพอ่อฤาษียิ่งดำที่ทวัดท่าสูงครับ ไปกันเป็นกลุ่มครับก็ผมคือส่วนมากเขาจะรับปฏิบัติเป็นมโนมนิธิกันนะครับแต่ว่าผมไปปฏิบัติแล้วผมรู้สึกว่ามันไม่ใช่คือมันมานั่งมโนว่าเราไปโนสวรรค์เนี้ยผมว่ามันไม่ถูกไม่ถูกทางก็เลยไม่ไม่ได้ทําตามเพื่อนกันนะครับก็มาก็คือไปศึกษาว่าเขาบอกมีกรรมฐานคือสีแดงก็คือผมชอบสีแดงตอนนั้นครับคือตอนนั้นไม่รู้จักพุทโธด้วยครับกอไม่เคยรู้จักมาก่อนเลยก็มาฝึกสีแดงคือคือคิดถึงดวงแก้วสีแดงแล้วก็ ภาวนาสีแดงไปเรื่อยครับก็ตอนนั้นเมื่อนั่งมานั่งสมาธิแรกคือมู้สึกปวดเมื่อยตามตัวทรมานนั่งแต่พยายามนั่งสื่อไปเรื่อยครับประมาณชั่วโมงครึ่งเวลาสามเวลาครับวเวลาชั่วโมงครึ่งนะครับนั่งไปหกวันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้ววันสุดทา้ายวันที่เจ็ดนะครับก็เลยคิดว่าเออมานะกลับแล้วเราไม่ต้องคิดอะไรแล้วคือเราไม่ได้ก็ไม่เป็นไรอย่างเงี้ยก็อยู่ดีมันเกิดอาการคือไม่เคยเกิดในชีวิตเลยคือน้ําตามันไหลแล้วก็มันว่ากันตัว ขนมันก็ลุกทั้งตัวแล้วก็ตัวมันขยายครับก็ตกใจไม่รู้มันคืออะไรครับก็ก็หลุดออกมาแล้วคราวนี้ขากลับนั่งรถกลับมากลับมาที่ที่ที่กุฏิครัที่ ท, ที่ที่นอนนะครับก็เลยถามคนที่ปฏิบัติทําด้วยกรรมเขาบอกว่ามันคือการปีติผมก็ไม่รู้มันคืออะไรคือปีติครับเขาบอกว่าอย่าไปสนใจมันคือให้เรากลับมาอยู่ที่จุดจุดที่เราตั้งมั่นอยู่ครับแล้วคือตอนเย็นผมก็กลับมาไหว้พระ อ, อีกรอบหนึ่งคือจะมีรอบเย็นอีกรอบหนึ่งมาไหว้พระแล้วเขาให้นั่งสมาธิประมาณชั่วโมงครึ่งครับผมก็นั่งไปเกิอดอาการเหมือนเดิมคือคนลุกขนพอน้ําตาไหลภาคเลยแล้วก็ตัวขยายพอตัวขยายนะครับผมก็เลยไม่ไม่ไม่ไม่ไม่เอาจิตไม่ไม่อยู่กับมันนะมาอยู่ที่สีแดงเหมือนเดิมแล้วคราวเนี้ยคืออยู่ดีๆเข้าไปสีแดงอ่ะมันเปลี่ยนไปมันเปลี่ยนเป็นแก้วใสเลยครับใสสว่างแล้วก็อยู่ดีมันเกิดความสุขครับความสุขคือไม่เคยสุขเท่านี้ในชีนมาก่อนเลยคือมันสุขที่สุดเลยครับ ครับตอนนั้นก็คือเรียนอยู่ปีสามก็เครียดเรื่องเรียนมากครับแต่ว่าคือปัญหาความเครียดหายหมดเลยครับคือจิตมันหัวมันโล่งสบายไปหมดเลยครับอยู่ความสุกก็คืออยู่กับดวงดวงแก้วนะครับอยู่ไปเรื่อยเลยครับเป็นชั่วโมงครับก็จนเขาต้องมาปลูกครับให้ให้ออกออกจากสมาธิครับครับผมก็หลังจากนั้นมาก็เลยฝึกดวงแก้วมาตลอดเลยครับฝึกดวงแก้วมาตลอดแล้วคราวนี้พอเรียนจบมหาวิทยาลัยมาครับก็ มีโอกาสได้มาบวชที่วัดปฐุมนารามแล้วคนนี้พระอาจารย์ที่วัดปฐุมครับเ <c oughs> ขาสนิทกับพระอาจารย์โสภาสมโนที่วัดแต่งทรามเขาเกาเียวที่ที่วังน้ําเขียวอะครับท่านก็เลยพอบวชเสร็จท่านได้สามวันท่านก็เลยส่งมาอยู่กับพระอาจารย์โสภาเลยตอนแรกยังไม่รู้จักหลวงตาหมาบัวนะครับก็มาอยู่กับท่านแลน้วคนนี้หลวงตาหมาบัวก็มาที่วัดก็ได้มาเจอท่านสีครั้งก็รู้สึกเจอครั้งแรกรู้สึกแบบศรัทธาท่านมากแล้วก็ไม่รู้พออะไรคือรู้สึกว่าเนี่ยคือทางที่ใช่แล้ว คือก่อนหน้านั้นคือไปหลายสายมาก็รู้สึกว่าไม่ใช่สายทั้งผมผมหลวงปู่หลวงพ่อสดหลวงพ่อฤาษีก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่ทางที่ถูกต้องครับแต่พอเจอหลวงตาเราถูกศรัทธาท่านมากครับแต่ว่าบทสองเดือนเนี่ยเดือนแรกก็ยังฝึก ด, ดวงแก้วอยู่ทั้งเดือนนะครับแล้วคราวนี้พออยู่ที่วัดได้เดือนหนึ่งครับคราวนี้พระอาจารย์โสภาท่านก็ส่งขึ้นเขาสลัดได้ครับอตอนจะขึ้นเขาเนี่ยพระอาจารย์ท่านยท่านก็เพืนไม่เค ย, ไ ม, เคย ไ, มไม่เคยบอกท่านว่าท่านพ่อผมพูดดวงแก้วอยู่นะครับหยุดท่านก็รู้ด้วยท่านเองครับท่านก็หยิบดวงแก้วผมมาครับ ผมเด็กพวกตองแก้ต่อต่อเวลาถ้าก็หยิบมาแล้วท่านทำทำตกแตกครับแล้วท่านก็บอกว่าขึ้นเขาไปอ่ะให้สู่พุทโธนะแล้วจะได้ของดีท the the so so, so ่้นพูดอย่างนั้นครับผมก็เลยมาเริ่มมาสนใจเรื่องพุทโธคือเมื่อก่อนไม่เคยสนใจเลยครับพุทโธอ่ะครับก็ไปอยู่บนเขาบนเขาคือไม่มีแสงไม่มีไฟฟ้าเลยมีแต่น้ําน้ําคือต้องไปตักน้ําจากลําธารมาใช้อ่ะครับก็อยู่แบบคือคืออยู่แบบอยู่ในป่าจริงๆอ่ะครับก็มาเริ่มฝึกภาวนาพุทโธก็คือนั่งเหมือนเดิมคือพยายามนั่งอย่างน้อยชั่วโมงครึ่งอ่ะครับ ก็มาม า, มานาั่งฝึกเขา้าพุทออกโทเข้าพุทออกโทไปเรื่อยๆ อ, อ, อย่างนี้ครับแล้วก็อ่าพอนั่งไปแรกก็คือก็คื อ, คอมันก็ไม่ไม่เกิดอะไรแต่พอนั่งไปพอครบครบชั่วโมงครับอยู่ดีคืออ่าจิตมันแน่นกับกับคำว่าพุทโทครับอยู่กับลมหายใจเนี่ยครับแล้วมันก็จะเบือ่ออาการความหอนาพุทธมจะทิ้งไปเองเลยครับพอทิ้งไปเองเรื่อยๆปุ๊บลมหายใจเราอยู่กับหายใจเราอย่างเดียวครับมันจะแน่นขึ้นเรื require, อ่อยๆครับ แน่นจนมันไม่เหลืออะไรแล้วคือรวมใจเหมือนมันมันรวมมันไม่มีอะไรแล้วะครับแล้วข้อนี้มันก็จะมาอยู่จิตมันก็มารวมอยู่ที่หว่างคิ้วครับคือไปเป็นเป็นดวงขาวใสนวลครับไม่ใสคือมันขาวๆนวลๆครับมีความสุขครับสุขของมันนี่คือไม่ได้สุขเหมือนกับครั้งที่เข้าทํามยีครั้งแรกแต่มันสุขคือความสงบครับสุขความสงบแล้วข้อนี้ก็อยู่ที่บนเขาเดือนนึงพอลงมาเนี่ยครับก็มาถามพระอาจารย์โสภากับพระอาจารย์อุทัยฟินทโรที่วัดเขาใหญ่เจริญธรรมครับ ว่าผมปฏิบัติถูกหรือเปล่าเพราะว่าผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรครับพระอาจารย์นั่นก็บอกว่าก็มาถูกทางแล้วให้ดูไปเรื่อยแต่าไม่บอกว่าให้ทําให้ทําไงต่อครับจนผมจะฝึกเนี่ยผมก็กลับมาวัดประทุมมาเจอพระอาจารย์ถาวรนะครับที่วัดประทุมครับก็เล่าให้ท่านฟังท่านบอกว่าเนี่ยพุทธเจ้าเนี่ยท่านก็อยู่อารมายใจนะอย่าไปสนใจมันไอแสงให้กลับมาลมหายใจแต่จานั้นผมก็ทิ้งทิ้งลงนั้นไปคือมาฝึกมาอยู่ที่ลมหายใจเหมือนเดิมคือมาหยุที่ปลายจมูกครับก็กลับมาทํางานเนี่ยมันก็มาอยู่ที่ปลายจมูก็ มันก็ไม่สงบเหมือนเดิมอีกแล้วครับคือไม่คือกลับมาจากกรารเป็นคารว่าแล้วเนี่ยคือไม่เข้าไม่เคยสงบเหมือนเป็นพาแล้วอะครับคือนานๆทีจะเข้าสมาธิได้เหมือนเดิมแค่ครั้งหนึ่งแล้วเมื่อไม่นานมาเนี่ยผมก็เลยลองเปลี่ยนใหม่คือผมรู้ว่าจิตมันอยู่ที่ตรงหว่างคิ้วครับผมเลยเอาจิตมาวางที่หว่างคิ้วแทนไม่ได้วางที่ปลายจมูก Kiss แล้วอะครับ <zh ul S 1> คือคืออยู่ที่หว่างคิวแล้วก็เอาลมกระทบที่หว่างคิ้วเนี่ยเป็นเป็นพุทธแล้วออกที่ปลายจมูกเป็นโทอะครับพอนั่งได้สแป๊กนึ่งครับ จิตมันเหมือนเข้ามารวมอยู่ที่ตรงหว่างคิ้วอะครับคือเหมือนเราอยู่ในห้องห้องหนึ่งครับคือเราไปนั่งเฉยเราไม่ได้สุขไม่ได้ทุกข์แต่ว่าคือมันไม่มีไม่มีความสุขไม่มีความทุกข์คือมันอยู่มันคือความสบายครับความสบายเหมือนเราเข้าไปพักผ่อนอย่างนั้นครับแต่มันไม่ได้ลุกเหมือนเหมือนหลังรีรีอะไรเงี้ยแต่คือเหมือนเราเข้าไปนั่งพักเฉยครับนั่งพักดูความสงบมันเหมือนจิตเราแยกเป็นสองคนครับจิตตัวหนึ่งคืออยู่จุดอีกที่หนึ่งอ่ะนั่งมองมันและใจจิตหนึงมารวมอยู่ที่หว คือ <C ür> ผมไม่รู้ว่าไอ้เนี่ยที่การปฏิบัติทุกวันเนี่ยมันถูกหรือเปล่าคือมันไม่ใช่อนาพาติติอย่างที่หลงพ่อผาวรท่านบอกครับข้อแรกคือขอถามก่อนนะครับคือข้อแรกคือคือตอนนี้ภาวนาแล้วแบบมันไม่มีความสุขไม่มีความทุกข์เลยครับคือในอดีตคือก่อนหน้าเนี่ยมันจะรู้สึกปวดเมื่อยตอนนี้ก็ไม่มีความรู้สึกปวดเมื่อยเลยแล้วความสุขที่เคยเข้าเนี่ยก็ไม่มีอีกแล้วมันมีแต่ความสุกมันคือมีความความสงบอย่างเดียวครับกับความแสงสว่างข่าวนวนเนี่ยที่หวังคิดว่าไม่รู้มันถูกหรือเปล่าครับข้อสองคือ พอจิตมื่ว่างที่หว่างคิวแล้วครับแล้วดูที่ลมหายใจอ่ะพอเข้าสักแป๊บหนึ่งอ่ะจิตมันไม่สนใจลมหายใจครับมันอยู่ที่ที่ตรงที่จิตที่เราตั้งไว้อ่ะครับพุทโธก็ไม่สนใจอ่ะครับ mm hmm. คือมันอยู่อยากอยู่ดูอยู่ตรงนั้นอย่างเดียวคือความสงบอย่างเดียวอ่ะครับ mm hmm. แบบนี้มันเป็นอนาวัฒนสติหรือเปล่าครับ mm hmm. คือไม่รู้ว่ามันเป็นกรรมฐานกองไหนคือคือคื อ, คอกลัวว่ามันจะมาผิดทางอ่ะครับ mm hmm. แล้วก็ mm hmm. ท่านที่สามครับ ทำไมเวลานั่งสมาธิจนสงบแล้วครับทำไมรู้สึกจิตมันแยกไป็นสองสองสองสองจิตอะครับคือจิตนึงคืออยู่ที่หว่างคิวสงบส่วนจิตหนึ่งมันเป็นมันเป็นเหมือนกับว่าคอยจิตตามดูอะครับคือจิตมันคอยดูตลอดเลยว่าว่ายที่สงบเนี่ยมันมันสงบหรือเปล่าคือมันรู้ทุกอาการเลยครับคือจิตมันกค่อยๆเข้าก็เข้าอย่างเงี้ยแบบก็จิตลมมันก็ค่อยกค่อยสงบก็จะรู้หมดเลยอะครับคือผมเคยได้ยินมาว่าคือจิตที่ไม่สมาธิมันต้องต้องไม่รู้อะครับคือมันต้องรวมเป็นหนึ่งเดียวอะครับ แต่คราวนี้มันรู้สึกเหมือนแยกเป็นสองคนนะครับคือคนหนึ่งคอยคอยตามเหมือนตำรวจตามจับผู้ร้ายครับคือมันจะคอยดูตลอดเลยครับคือผมไม่รู้ว่ามาถูกทางหรือเปล่าแล้วก็ต้องปฏิบัติยังไงต่อครับเหมันก็เป็นการปฏิบัติที่ได้ผลคือจิตสงบผูรูปรากฏขึ้นมา สักแต่ว่ารู้อคือจิตเนี่ยมีสองส่วนจิตที่คิดกับจิตที่รู้ส่วนใหญ่จิตที่รู้นี้จะถูกจิตที่คิดบดบังไว้เวลาจิตคิดไปจิตรู้ก็เลยเกินไปกับความคิดอยู่ไปกับความคิดพอเราใช้สติควบคุมจิตไม่ให้คิดพอความคิดหยุดไปก็จะ ปรากฏเป็นผู้รู้โผล่ขึ้นมาผู้รู้ก็จะเห็นชัดขึ้นมาก็อาจจะคิดว่าเป็นสองสองความจริงมันเป็นหนึ่งคือสักแต่ว่ารู้รู้ว่าตอนนั้นจิตสงบจิตไม่มีความคิดปรุงแต่งอะไรต่างๆางนั้นถ้าถ้านั่งไปแล้วทาให้จิตสงบจะใช้วิธีไหนก็ได้เพราะกรรมฐานที่เป็นเครื่องผูกจิตให้สงบนี้มีหลากหลายวิธี ของเราอาจจะไม่ใช่เป็นอนาปนสติอาจจะเป็นสติอีกแบบหนึ่งก็ได้คือการจดจอ่ออยู่กับความสงบนี้ก็เป็นสติอย่างหนึ่งหนึ่งในอนุสติสิบประการนี้มีความมีสติรู้อยู่กับความสงบอันนี้ก็ก็ถือว่าเป็นการใช้ใช้สติทำใจให้สงบได้เหมือนกันไม่ต้องใช้ลมหายใจก็ได้ เพราะว่าแต่ละคนแต่ละจ่ด็ดนั้นไม่เหมือนกันบางคนก็ใช้พุทธโธเขาเรียกว่าพุทธานุสติบางคนก็ใช้ลมหายใจก็เรียกว่าอนาปนาสติบางคนก็ใช้ร่างกายก็เรียกว่ากายกะกตาสติเช่นคอยติดตามเฝ้าดูการกระทาของร่างกายอย่างต่อเนื่องไม่ปล่อยให้ใจไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆ อันนี้ก็เรียกว่ากายกตาสติบางคนก็ใช้มรณานุสติระลึกถึงความตายอันนี้ก็เป็นการใช้สติเพื่อทำให้ใจเข้าสู่ความสงบเป้าหมายของของการเจริญสตินี้เพื่อให้ใจสงบหยุดคิดปรุงแต่งให้เหลือแต่ผู้รู้ปรากฏขึ้นมาให้ผู้รู้รู้ว่าตอนนี้ใจสงบแล้ว จะว่าเป็นสองก็ได้คือใจรู้นี้เห็นว่าใจสงบแล้วจะเรียกว่าเป็นหนึ่งก็ได้เพราะว่าเหลือแต่ผู้รู้เป็นผู้เดียวผู้คิดนั้นหยุดทำงานไปใช่ไหมสงบแล้วตัวคิดนี้มันสงบตัวรู้ก็จะปรากฏขึ้นมาให้เห็นชัดหน้าที่ของเราก็คือพยายามฝึกให้อยู่กับตัวรู้อย่าไปอยู่กับตัวคิด เพราะตัวคิดของเรานี้มันจะพาให้เราไปเกิดตัณหาความอยากต่างๆขึ้นมาจะอยู่กับตัวคิดได้ก็ต้องมีปัญญาคอยประกบถ้าคิดไปในทางตัณหาก็ใช้ปัญญาใช้ตายรักมาระ ง, งับมันเพื่อที่จะได้กลับมาอยู่ที่ตัวรู้เป้าหมายของเราก็คือให้เราสักแต่ว่ารู้กับเหตุการณ์ต่างๆที่เราต้องสัมผัสรับรูบร้ไม่ว่าอะไรก็ตาม จะเป็นสิ่งที่เจริญหรือเสื่อมถ้าเราสักแต่ว่ารู้เราจะไม่ทุกข์กับเหตุการณ์ต่างๆที่เราสัมผัสรับรู้ถ้าเราไม่สักแต่ว่ารู้เห็นรับรู้เร้ไปเกิดอารมณ์ไปเกิดความคิดปรุงแต่งเกิดตัณหาความอยากขึ้นมาก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาเข้อหมายของการปฏิบัติต่อจากการได้สมาธิก็คือการรักษา จิตให้อยู่กับผู้รู้อย่าไปอยู่กับผู้คิดถ้าจะอยู่กับผู้คิดก็ต้องมีปัญญาเป็นผู้คอยกำกับไม่ให้คิดไปในทางความหลงไม่ให้ไปคิดในท า, ทางความอยากให้คิดไปในทางความไม่อยากการปล่อยวางอย่างที่วันนี้เทศให้คิดไปในการเสียสละให้เห็นว่าสิ่งต่างๆที่เรามีอยู่นี้มันเป็นทุกข์มันไม่ได้เป็นสุข มันเป็นภัยก็ต่อความสงบของเราสละได้สละไปเลยสละทรัพย์ได้สละไปเลยสละอวัยวะได้สละไปเลยสละชีวิตได้สละไปเลยเวลาถึงความตายถ้าไม่สละชีวิตมันจะทุกข์มากถ้าสละได้มันจะไม่ทุกข์เลยนี่คือขั้นตอนของการปฏิบัติต่อจากการที่ได้สมาธิแล้วพอออกจากสมาธิมาก็ต้อง สักแต่ว่ารู้ไปอุเบกขาเฉยๆรู้เฉยๆอย่าไปยินดียินร้าอย่าไปรักไปชังไปกลัวไปหลงกับสิ่งที่เรารู้ให้รู้เฉยๆถ้ามันเกิดความรักชังกลัวหลงขึ้นมาก็ต้องใช้ปัญญาใช้อนิจังทุกขังอนัตตาใช้อสุภะดึงมันกลับเข้ามาสู่ตัวรู้ตัวที่สักแต่ว่ารูน้นี้พอจะเข้าใจไหมที่ตอบมาครับ คือคืออ่าคือรู้นี่คือรู้รู้รู้อุเบกขาคือจิตไอดวงของขาวที่มันสงบใช่ไหมครับอ่ามันเฉยมันสักแต่ว่ารู้ไม่มีอารมณ์ต่างๆไม่มีรักไม่มีชงังไม่มีกลัวไม่มีหลงแล้วเอาอารมณ์นี้อุเบกขานี้ออกมาใช้กับชีวิตประจําวันต่อไปการนั่งสมาธินี่ยังเป็นเหมือนกับเป็นการทําการบ้านเวลาเราอยู่คนเดียว เวลาที่เรามาออกมาเจอเหตุการณ์ต่างๆนี่เรียกว่ามาเข้าห้องสอบดูว่าเราจะรักษาจิตของเราให้อยู่ในอุบเบกขาในสมาธิได้ไปตลอดหรือไม่เวลาได้เงินมาจะดีใจหรือไม่เวลาเห็นเงินเห็นทองเกิดความรักขึ้นมาหรือไม่ได้เห็นต้องใช้ปัญญาว่ามันเป็นทุกข์เพราะว่ามันไม่เที่ยงมันไม่ใช่ของเราเดี๋ยวสักวันหนึ่งมันก็ต้องจากเราไป เพื่อที่จะกลับมารู้เฉยๆไม่ยินดียินรายกับสิ่งที่เรารับรู้อาจารย์ครับเราทำไมเขาบอกว่านั่งสมาธิแล้วมีความสุขแต่พอผมนั่งแล้วมันไม่ไม่สุขไม่ทุกข์เลยครับคือความปวดเมื่อยก็ไม่มีความสุขก็ไม่มีแต่มันมีแค่ความสงบรครับมันก็เป็นความสุขที่เรายัางไม่ เ, เราเราไม่รู้ว่าเป็นความสุขก็ได้หรือว่ามันยังไม่เข้าสูคา่ความความสงบที่สมบูรณ์ก็ได้ ถ้ามันเข้าสู่ความสงบที่สมบูรณ์นี้มันจะเกิดความรู้สึกเบาอกเบาใจสบายอกสบายใจครับอาการนั้นนะครับแต่มันไม่ใช่สุขเหมือนเข้าสมาธิครั้งแรกคือมันอ๋อนั่นเป็นปิติมันคนละแบบเลยอ๋อคนละอันเลยคนละแบบแต่ที่เขาเข้าคือมันคือความสบายใจคือเหมือนเราไปพักอะครับอ๋อนั่นแหละอันนั้นก็เป็นความสุขอีกแบบหนึ่งแต่ความความสุขที่เกิดจากความสงบแล้วไี่เกิดจากความปิติแต่ปิติมันสุขยิ่งกว่ามันแบบอาขอดูซ่าน้ำตาไหล แต่มันไม่เที่ยงไงมันเกิดแล้วมันดับไปบแต่ความสุขจากอวเบกขาอันนี้มันจะเที่ยงมันจะอยู่ไปตลอดถ้าเรามีสติมีปัญญารักษามันไว้อันนี้มันดีกว่าครับครับขอบคุครับอบ <laughs> าไม่มาถูกทางเขาไม่ไม่ผิดใช่ไหมครับไม่ถูกถูกแล้วเพียงแต่ว่าต้องฝึกจเจริญเจริญปัญญาเวลาออกจากสมาธิมาพิจารณาไตรัก พิจารณาสุภาะเพื่อที่จะดึงใจให้อยู่ในความสงบต่อไปถ้าไม่เห่นนั้นเดี๋ยวเห็นอะไรแล้วจะเกิดพอเกิดความรักชังกลัวหลงขึ้นมาจิตก็จะออกจากความสงบไปออกไปสู่ความวุ่นวายถ้าใช้ปัญญาก็จะดึงเอาไว้ได้รักษาเอาไว้ได้ครับขอบพระอาจารย์มากๆครับ คำถามต่อไปจากคุณโอปอตามคำสอนของพระอาจารย์เรื่องการำทำใจให้เฉยหนูและครอบครัวกำลังเผชิญอยู่ขณะ น, นี้คุณย่าของหนูอายุร้อยหนึ่งปีปกติไม่ค่อยป่วยและยังมีความจำดีมากแต่ตอนนี้กำลังป่วยหนักทุกคนในครอบครัวเตรียมตัวเตรียมใจไว้อยู่แล้วเนื่องจากท่านอายุมากแล้วแต่ไม่มีใครเตรียมใจว่าในการรักษานั้น หมอจะต้องคอยบอกให้เราต้องตัดสินใจยินยอมให้หมอทำการรักษาด้วยวิธีต่างๆซึ่งแม้เป็นทางช่วยชีวิตแต่ก็เหมือนเป็นการทรมานคนไข้หนูเห็นสภาพคุณย่าในตอนนี้ไม่สามารถทำใจให้เฉยได้เลยค่ะเพราะการตัดสินใจของครอบครัวไม่ว่าจะเป็นทางใดล้วนแต่สร้างความทรมานให้คุณย่าทั้งสิ้นเมื่ออยู่ในเหตุการณ์เช่นนี้ควรวางใจอย่างไรคะ ก็วางใจเป็นอุเบกขาก็ต้องใช้สติก็ได้ใช้ปัญญาก็ได้ถ้าใจไม่อยู่เป็นกลางใจวุ่นวายก็ใช้บริกรรมพุทโธพุทโธไปเพื่อให้ใจลืมไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องที่ทำให้เราวุ่นวายใจความวุ่นวายใจมันก็จะหายไปได้แต่มันจะหายเฉพาะเวลาที่เรามีสติกํากับเวลาที่เราเผลอไปเห็นแล้วไปคิดปรุงแต่งมันก็จะเกิด ความวุ่นวายใจกับมาใหม่ถ้าเราอยากจะทําลายความวุ่นวายใจที่เกี่ยวกับคุณย่าและคุณยายนี้ให้หมดไปก็ต้องพิจารณาว่าคุณย่าและคุณยายนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาร่างกายของท่านเป็นเพียงดินน้ําลมไฟไม่ใช่ตัวคุณย่าคุณยายเป็นเหมือนคนรับใช้ของคุณย่าคุณยาย ตัวคุณย่าคุณยายนี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายตัวคุณย่าคุณยายนี้อยู่ที่ใจที่ไม่มีวันตายแต่จะต้องจากร่างกายที่เป็นเหมือนกับคนรับใช้ไปเขาถามต่อว่าหากตัดสินใจผิดเช่นยังยินยอมให้แพทย์รักษาต่อแต่คนไข้ทรมานและไม่อยากมีชีวิตอยู่แล้วแต่พูดไม่ได้หรือในทางกลับกันคนไข้ยอย่างมีชีวิตอยู่ต่อ ญาติข อ, อยุติการรักษาจะถือเป็นการสร้างบาปหรือไม่คะก็ถือว่าเป็นกรรมของคนไข้ก็แล้วกัน<ำ>จะทํำยังไงได้ก็ไม่สั่งไว้ก่อนเมื่อไม่สั่งไว้ก่อนก็พอถึงเวลาทีา่ติดต่อสื่อสารกันไม่ได้ก็ต้องปล่อยให้เป็นไปตามบุญตามกรรมถ้าไปเจอญาติที่ฉลาดก็อาจจะไม่ต้องทรมานนานถ้าไปเจอญาติที่งโง่ก็อาจจะทรมานนานหน่อย คำถามต่อไปจากผู้ฝากถามโยมเป็นพี่สาวคนโตมีครอบครัวออกเรือนแล้วไปเยี่ยมแม่เกือบทุกสัปดาห์แต่เวลาถึงวันหยุดต่อเนื่องก็ชอบไปปลีกวิเวกถือศีลที่วัดการที่เราไม่ได้ไปเยี่ยมแม่หรือกินข้าวรวมญาติเหมือนน้องๆคนอื่นถือว่าเราผิดไม่ทำหน้าที่ลูกที่ดีไหมคะบางทีชวนน้องที่ดูแลแม่ไปวัด น้องก็บอกว่าต้องดูแลแม่เพราะแม่เป็นพ่ะอ า, หารหันที่บ้านก็ขึ้นอยู่ว่าการดูแลนี่มันจำเป็นหรือไม่จำเป็นถ้าไม่จำเป็นแม่ยังดูแลตัวเองได้ก็ไม่ต้องไปดูแลเพราะเราก็มีสิ่งที่เราต้องดูแลที่สำคัญก่อนพ่อกับแม่คือจิตใจของเราที่ไม่มีใครสามารถที่จะดูแลแทนเราได้่างนั้นเราก็ต้องรู้จักจัดลาดับความสาคัญของสิ่งต่างๆของบุคคลต่างๆ ที่เราจะต้องมีความามีการปฏิบัติว่าควรจะมาลำดับไหนก่อนหลังอย่างไรบางครั้งถ้าแม่ไม่สบายมากอันนี้บางทีเราก็ต้องยกลำดับแม่ขึ้นมาสู่ลำดับหนึ่งแล้วลำดับดูแลจิตใจของเราก็ขยับลงไปก่อนแต่ถ้าเวลาที่แม่อยู่อย่างสุขสบายไม่เดือดร้อนเราจะอยู่หรือไม่อยู่ท่านก็อยู่ได้มีความสุขเหมือนเดิมอันนี้เราก็ ไปปฏิบัติดีกว่าอาเชิญอยากจะถามอะไรเชิญการสอบถามพูดใกล้ๆไหมการสอบถามค่ะพระอาจารย์ก็คือว่าตอนนี้กำลังฝึกฝึกเจริญสติแต่ว่าพอดีอยู่โรงพยาบาลก็จะเห็นคนเกิดแก่เจ็บตายทีนี้เราก็เลยมามองว่าถ้าคนที่ไม่สบายเนี่ยเขายังมีเวลาฝึกสมาธิ ถ้าเกิดเขาฝึกมาแต่ว่าในขณะที่เราสมมติว่าเราขับรถหรือนั่งรถหรือขึ้นเครื่องช่วงนี้ถ้าเกิดเราประสบอุบัติเหตุล้วถ้าเกิดเป็นอะไรไปช่วงนี้ก็คือใจเราจะไปแบบไหนอันนี้ก็เป็นอีกคำถามหนึ่งกับอีกคำถามหนึ่งก็เหมือนกับว่าช่วงนั้นเราควรที่จะเจริญสติหรือนั่งสมาธิในช่วงนั้นเพื่อป้องกันการประมาทหรือเปล่าคะ ช่วงทำงานช่วงขับรถหรือช่วงไหนทั้งช่วงขับรถหรือว่าเรานั่งรถหรือว่าเรานั่งเครื่องอะไรช่วงที่เราไม่ได้ต้องใช้สมาธิหรือสติในการขับรถคือกำลังประมองว่าเราไม่อยากประมาทเราควรจะนั่งสมาธิในช่วงนั้นใช่นมก็ถ้าเรานั่งได้ก็นั่งถ้าเราไม่ต้องขับรถมีคนขับรถแล้วเรานั่งอยู่เฉยเราก็นั่งหลับตาทาสมาธิไปหรือถ้าเราต้องขับรถ หรือทำอะไรแล้วก็ให้มีสติอยู่กับการกระทำถ้าเราขับรถก็ให้มีสติอยู่ ก, การขับรถอันนี้ก็เป็นการเจริญสติในระดับหนึ่งเราทำงานเรามีสติอยู่การทำงานไม่ปล่อยใจให้คิดเลือเล่อยเปื่อยอันนี้ก็เป็นการเจริญสติได้เหมือนกันการเจริญสตินี้เป็นสิ่งที่ควรจะกระทำอยู่ตลอดเวลาเพราะเป็นคุณเป็นประโยชน์แก่จิตใจเป็นอย่างมาก เพราะมิ่งมีสติมากเท่าไหร่ก็จะสามารถควบคุมจิตใจให้อยู่ในความสงบให้อยู่ในความดีงามได้มากขึ้นไปเท่านั้นอย่างนั้นไม่ต้องไปกังวลว่าเกิดเวลาเราตายไปนี่จิตมันจะเป็นอย่างไรจิตมันก็จะเป็นอย่างที่เราทำอยู่จนถึงขีดนั้นแหละเราถึงทำถึงตอนนั้นเราทำได้เท่าไหร่มันก็จะได้เท่านั้นถ้าทำถึงสวรรค์ก็ได้แค่สวรรค์ทาถึง ชั้นพรมก็จะได้ชั้นพรมถ้าทําสูดถึงขั้นอริยะมันก็จะอยู่ขั้นอริยะไปมันไม่มันไม่เสื่อมมันไม่เปลี่ยนไปกับความตายของร่างกายมันก็จะไปต่อถ้ามันจิตเป็นสวนรรค์เป็นเทพมันก็จะไปเป็นเทพต่อไปถ้าเป็นพรมก็จะไปเป็นพรมต่อไปถ้าเป็นพระอริยะบุคคลก็จะเป็นพระอริยะบุคคลต่อไป เป็นพระอรหันต์ก็จะเป็นพระอรหันต์ต่อไปอย่างพระพุทธเจ้านี้ท่านเป็นพระอรหันต์ตั้งแต่วันเพ็ญเดือนหกอายุส5สิหปีแล้วท่านอยู่อีกสี่สิ้าปีก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรจิตใจของท่านก็เป็นเหมือนเดิมเป็นนิพพานเป็นพระอรหันต์ร่างกายตายไปจนถึงบัดนี้จิตของท่านก็ยังเป็นเหมือนเดิมอยู่เป็นพระอรหันต์เป็นนิพพานอยู่เหมือนเดิม ไม่ต้องกังวลว่าจิตของเราจะเป็นอะไรในเวลาตายขอให้กังวลเวลาที่เรามีชีวิตอยู่ว่าเราทำให้มันดีขึ้นกว่านี้ได้หรือเปล่าขอให้ทำตรงนี้ยิธที่จะทำให้จิตของเราดีขึ้นก็ให้มีสติให้มากขึ้นให้ต่อเนื่องมากขึ้นแล้วความดีต่างๆคุณธรรมต่างๆก็จะตามมาเองไม่ว่าจะเป็นสมาธิก็ดีปัญญาก็ดีนิพพานก็ดี ตตต่าาาามมมามถ้ Panel, ม้เเเรรีสิิป็นนจุดคำถามต่อไปจากคุณชัยวัตรการฝึกสมาธิกรรมฐานต้องเริ่มจากสิ่งใดเป็นอันดับแรกครับก็เนี่ยพูดมาปากเปลี่ยปากเฉียดอยู่นี่ก็ก็เริ่มที่สติเวลาเราจะขับรถนี่เราเริ่มที่ไหนเราเริ่มที่กุญแจใช่ไหมต้องมีกุญแจถึงจะเปิดประตูรถได้ เม่อปิดประตูรถได้ก็จะสตาร์ทรถได้อันนี้ก็เหมือนกันถ้าไม่มีสติก็จะไม่ได้สมาธิถ้าไม่ได้สมาธิก็จะไม่ได้ปัญญาถ้าไม่ได้ปัญญาก็จะไม่ได้วิมุตติไม่ได้มรรคผลนิพพานเนี่ยก็กลับมาที่สติแต่ก่อนจะมีสติก็ต้องมีทานมีศีลเป็นผู้ที่คอยสนับสนุนเพราะว่าการทําทานการลดละการ หาเงินหาทองนี้ก็จะทำให้เรามีเวลามาเจริญสติมากขึ้นแล้วก็จะทำให้เรารักษาศีลได้บริสุทธิ์มากขึ้นเมื่อเรามีทานมีศีลจิตของเราก็จะพร้อมต่อการเจริญสติอย่างต่อเนื่องสามารถที่จะออกไปอยู่ตามลำพังได้การเจริญสติที่จะได้กอบเป็นกอบเป็นกรรมนี้ต้องไปอยู่คนเดียวอยู่ในสถานที่ที่ไม่มีเรื่องราวต่าง ใจจะต้องไปวุ่นวายด้วยถ้าใจไปวุ่นวายกับเรื่องราวต่างๆนี้มันก็จะยากต่อการที่จะควบคุมมันเพรนั้นต้องพยายามปีกวิเวกให้ได้การจะปีกวิเวกให้ได้ก็ต้องเลิกใช้เงินใช้ทองซื้อความสุขต่างๆเพื่อจะได้ไม่ต้องไปหาเงินหาทองจะได้มีเวลามาหาสติมาหาธรรมกันคำถามต่อไปจากคุณเปลี่ยนความคิด ขนาดทำงานบางครั้งเหมือนมีกระแสไฟฟ้าช็อตตรงหัวใจแต่เป็นกระแสอ่อนๆเวลาต่อมาก็มีกระแสเย็นแผ่ออกเป็นรัศมีกว้าง เวลาเมื่อจับสิ่งของก็มักมีแสงเกิดขึ้นตรงดวงตาแล้วก็หายไปจึงตามดูอาการที่เกิดขึ้นแล้วก็พิจารณาว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนสุดท้ายก็ดับสลายคืนสู่ธรรมชาติถามว่าสิ่งที่สัมผัสคืคออะไรและสิ่งที่ลูกพิจารณาถูกต้องหรือไม่คะสิ่งที่สัมผัสก็คือสภาวะธรรมที่เกิดดับเกิดดับนี่เอง ก็ให้สัตรว์รู้ไปรู้ว่าเขาเกิดแล้วเขาก็ดับไปไม่ต้องไปเกิดความอยากให้เขาเกิดขึ้นมาอีกหรือเวลาเขาเกิดแล้วไม่อยากให้เขาเกิดอันนี้อย่าไปเกิดความอยากแล้วกันให้ปล่อยเขาเป็นไปตามธรรมชาติของเขาเหมือนกับเราปล่อยฝนฟ้าอากาศฝนตกแดดออกนี่เราก็ไม่ได้ไปวุ่นวายไปกับเขาชั้นใด สิ่งต่าง ๆ, ๆที่ปรากฏผ่านทางจิตของเราก็อย่างนั้นอย่าไปวุ่นวายไปกับมันให้รู้ว่ามันก็เป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งเหมือนกับฝนฟ้าอากาศเขาถามต่อว่าและสิ่งที่พิจารณาถูกต้องหรือไม่คะ ก, ก็ถูกต้องเลยเพราะเขาพิจารณาว่ามันเกิดดับเกิดดับไม่มีอะไรคำถามต่อไปจากคุณจตุพล คำสอนเรื่องอุบายอดอาหารของพระอาจารย์แตกต่างจากครูบาอาจารย์หลายๆท่านแต่ตรงใจกับผมมากๆครับเรื่องความเพียรที่ว่าสุดต่งไปแม้กระทั่งครูบาอาจารย์บางองค์ท่านก็ตำหนิผมเชิงว่าตึงเกินไปไม่ดีความตึงของแต่ละคนน่าจะไม่เท่ากันอย่างมากๆใช่ไหมครับถูกต้องแล้วแหละเพราะกิเลสของแต่ละคนมันไม่เท่ากันหลวงตาบอกว่า ถ้ากิกเลสมันมาแรงเราก็ต้องไปแรงถ้ากิเลสมันมาเบาเราก็ไปเบาต้องให้เหมาะกับกิเลสเขาเรียกว่ามัชชิมามัชชิมาที่แท้จริงต้องเหมาะกับคู่ต่อสู้ของเราคู่ต่อสู้เอารถถังมาเราก็ต้องใช้รถถังสู้กับมันถ้าคู่ต่อสู้เดินมาเราไปใช้รถถังมันก็มากเกินไปเราก็ต้องให้มันเหมาะสมกับคู่ต่อสู้ของเรา ถ้ามันหิวมากอยากมากก็ต้องอดมันมากถ้ามันหิวน้อยอดน้อยก็ไม่ต้องอดมากก็ได้ต้องดูปัญหาผลกระทบที่เกิดจากกินมากว่ากินแล้วมันง่วงหรือเปล่าถ้ามันง่วงแล้วมันภาวนาไม่ได้ก็ต้องอดถ้าอดไม่ได้ก็ต้องไปอยู่ที่หน้ากลัวอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าไปอยู่ป่าช้านี่มันจะไม่มันจะไม่ง่วง ต่อให้กินอิ่มยังไงมันก็ไม่ง่วงถ้าอยากกินแล้วก็ต้องไปอยู่ป่าช้าถ้าไม่อยากไปอยู่ป่าช้าก็ต้องอดคำถามต่อไปจากผู้ฝากถามข้อที่หนึ่งเท่าที่พูดคุยสอบถามการปฏิบัติจากเพื่อ น, นักปฏิบัติด้วยกันมีบางคนไม่มีนิวรดห้าเลยทั้งความโกรธความง่วงความฟุ้งซ่านความลังเลสงสยัย เป็นเพราะเขาผ่านแล้วหรือเขาไม่ปฏิบัติและถ้าผ่านอุปสรรคคือนิวรห้าแล้วแสดงว่าเป็นอริยะบุคคลแล้วใช่หรือไม่คะไม่ใช่หรอกการไม่มีนิวรนี้ไม่ได้หมายความว่ามันไม่มีเราอาจจะยังไม่ได้เข้าไปในแดนของมันมันก็เลยไม่เจอมันเหมือนกับศัตรูนี่บางทีเราไม่เจอมันไม่ใช่รอดมันไม่มีเพราะเรายังไม่เข้าไปลุกล้ำแดนของมันลองเข้าไปลุกล้ำแดนของมันดู เจามมันกก็ะแลงงอออข้อที่สองรู้ว่าความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเป็นความสุขของคนติดยาเสพติดแต่บางครั้งก็เลือกที่จะเสพเพราะมันเป็นความสุขตรงหน้านั่นเป็นเพราะกำลังสติที่จะยับยั้งไม่พอใช่หรือไม่คะและถ้ามีอุเบกขาจากความสงบจากจิตรวมถึงฐาน ก็จะมีกําลังที่จะยับยั้งความสุขแบบนี้ได้ใช่ไหมคะถูกต้องเราต้องมีความสุขทดแทนถ้าเราไม่มีความสุขทดแทนเราก็จําที่จะต้อง อ, อยู่กับความสุขแบบชั่วคราวความสุขปลอมไปก่อนเหมือนกับถ้าเรายังไม่มีแฟนใหม่เราก็ยังต้องทนอยู่กับแฟนเก่าไปก่อน <laughs> ถ้าเราได้แฟนใหม่ที่ดีกว่าแฟนเก่า <laughs> เราก็ทิ้งแฟนเก่าได้ <laughs> คำถามต่อไปจากคูณพิสิทธิ์คนที่เลี้ยงสัตว์ไว้ขายแต่ไม่ได้ฆ่าจะผิดกับข้อปาณาติบาตนี้ไหมครับถ้าเราไม่ได้ฆ่าหรือสั่งให้ผู้อื่นฆ่านี่ไม่ผิดปานาติบาตเพียงแต่ว่าถือว่าเป็นอาชีพที่ไม่ควรกระทำเพราะมีผลกระทบต่อชีวิตของผู้อื่นถึงแม้ว่าเราไม่ฆ่าเองแต่เราขายไปเขาก็อาจเอาไปฆ่าต่อเช่นเราจับปลามาปลายังมีชีวิตอยู่ แต่พอเขาซื้อไปแล้วก็จะไปทําอะไรเขาไม่เอาไปเลี้ยงส่วนใหญ่เขาจะาไปรับประทานกันเขาก็ต้องฆ่าแต่เราไม่บาปเราไม่ได้ทําปานาติบาตแต่เรามีมิจฉาชีพคือเป็นอาชีพที่จะทําให้ผู้อื่นเดือดร้อนแล้วมันก็จะไม่ช้าก็เร็วก็จะกลับมาหาเราคืออนาคตชาติหน้าเราอาจจะกลับมาเกิดเป็นปลาก็ได้อาจจะต้องถูกเขามาจับมาเราจะมาขาย แล้วก็ให้เขาฆ่าแกงไปในต่อไปถ้าพวกเราทุกคนไม่มีการฆ่ากันมันก็จะทําให้โลกนี้น่าอยู่ขึ้นปลอดภัยขึ้นคําถามต่อไปจากคุณประวีเวลาดูลมจากหยาบจนละเอียดหายไปก็จะสะดุง้งกลับมาดูลมหยาบใหม่เพราะความกลัวไม่ทราบว่าจะแก้ไขอย่างไรครับก็ต้องทําความเข้าใจว่าการดูลมนี่ไม่มีไม่มีการที่จะทําให้เราตายได้ ผู้ที่ดูลมมานี่มีแต่จะเข้าสู่ความสงบเข้าสู่อัปปนาสมาธิกันยั้นความกลัวนี้ก็เป็นความเลีวไหลความไร้สาระหรือไร้เหตุไร้ผลของเราเองนั้นเราต้องเอาความจริงมายืนยันกับใจของเราว่าไม่มีใครตายพระพุทธเจ้าสอนอนาปาญสติคนที่ศึกษาและปฏิบัติตามนี้เวลาลมหมดนี้ส่วนใหญ่จะเข้าสู่ความสงบกันเข้าสู่อัปปนาสมาธิกัน แลเราควรจะดีใจว่าเรากําลังจะเข้าถึงอัปปนาสมาธิแล้วขอให้เราประครับประคองปัสติให้สักแต่ว่ารู้ไปเท่านั้นนะเดี๋ยวจิตมันก็จะรวมเข้าไปเองแต่พอเราตกใจกลัวขึ้นมามันก็จะดึงจิตออกมาทันทีเกิดวิภาวะตัณหาความกลัวนี้เรียกว่าวิภาวะตัณหาความไม่อยากตายความกลัวตายงั้นเราต้องกําจัดตัวนี้ไปคือต้องใช้สติประครับประคองไป แล้วก็ทาใช้ปัญญาให้รู้ว่าไม่มีไม่มีไม่ตายอย่างแน่นอนไม่มีใครตายจากการนั่งอนาปนาสติคำถามต่อไปจากคุณไบโอผมทำสมาธิโดยกำหนดจิตความรู้สึกดึกคิดทั้งหมดอยู่บริเวณซวงอกด้านซ้ายที่ถนัดทุกครั้งหายใจเข้าออกโดยกำหนดพุโทโธเวลาหาย เวลาหายเหมือนส่วนนี้หายใจไม่ใช่จมูกลมเข้าออกทุกส่วนของร่างกายมาที่รวงอกขนลุกตลอดเวลาจิตอยู่กับลมและพุทโธต่อมาพุทโธก็หายเหลือจิตกับลมทำถูกต้องไหมครับก็ใช้ได้นะเกิดใช้พุทโธก็ได้ใช้ลมก็ได้ขอให้มีสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นที่ยึดเหนี่ยวแก่ของจิตใจ ไม่ปล่อยให้ใจไปคิดปรุงแต่งต่างๆก็ขอให้เดินต่อไปดำเนินต่อไปเพราะว่ายังไม่ถึงจุดที่เรียกว่าอุเบกขารวมเป็นนึ่งศักด์แต่ว่ารู้ก็ต้องดูลมต่อไปดูลมก็จะมาเจอปัญหาแบบที่เมื่อกี้ได้ถามลมก็จะละเอียดเข้าไปเรื่อยๆแล้วจนปรากฏรู้สึกว่าลมหายไปก็ให้รู้ตามความเป็นจริงของลมอย่าตกใจอย่าตื่นตนกอย่ากลัว ก็ประครับประครองสติให้รู้ไปแล้วไม่นานมันจะเข้าสู่ความสงบได้คำถามต่อไปจากคุณบุญมีเวลาใกล้ตายให้นึกถึงอะไรครับเพราะความตายมาทดสอบผมหลายครั้งแล้วเวลาตายจริงๆมันไม่มีสติครับภาวนาพุทโธก็ฟุ้งกลัวความตายเวลาจะตายร่างกายทรมานจิตเลยไม่นิ่งครับ ก็ต้องพยายามฝึกสติก่อนตายนี่องขณะที่ยังมีชีวิตอยู่นี่เรามีโอกาสมีเวลาที่จะสร้างสติที่จะคอยกำกับใจของเราให้ตั้งอยู่ในความสงบได้ถ้าเราไม่ฝึกเราก็ถือว่าเราประมาทพอถึงเวลาตายใจของเราก็จะไม่สงบใจของเราก็จะวุ่นจะทรมานแต่ถ้าเราฝึกตั้งแต่บัดนี้เริ่มต้นที่การฝึกสติแล้วถ้าเป็นไปได้ก็ฝึกปัญญาต่อไป พิจารณาปล่อยวางร่างกายให้ได้บริจาคร่างกายนี้เสียสะละร่างกายนี้ให้ได้เพราะพิจารณาว่าไม่ช้าก็เร็วมันจะต้องจากเราไปแล้วมันก็ความจริงมันก็ไม่ใช่ตัวเราของเรามันเป็นเพียงคนที่เครื่องเป็นเหมือนบ้านที่เราอาศัยอยู่หรือรถยนต์ที่เราใช้พาเราไปตามสถานที่ต่างๆท่านั้นเองซึ่งวันใดวันหนึ่งเราก็จะต้องมีการพัดพรากจากกัน ถ้าเราสอนใจด้วยปัญญาเราก็พอถึงเวลาที่จะแยกกันเราก็จะแยกกันได้อย่างสบายไม่เดือดร้อนเพราะเรารู้ว่าเราไม่ได้ตายไปกับร่างกายคำถามต่อไปจากคุณอบิลคนใกล้ชิดมีแต่ปัญหามาให้เราต้องไปมีส่วนเกี่ยวข้องแทบจะตลอดเวลาเราช่วยเขาเขาก็มีใจยินดี ถ้าไม่ช่วยเราก็ทุกข์ใจแต่จะให้เราช่วยตลอดเลยเราก็ทุกข์ใจทั้งที่ปัญหาเราไม่ได้เป็นคนก่อหนูพยายามวางเฉยแต่บ่อยเกินไปก็ทนไม่ได้หนูต้องเจริญสติหนูให้ผ่านปัญหานี้ไปได้อย่างไรคะก็ต้องใช้เหตุผลการที่เราจะช่วยเหลือผู้คนนี้เราต้องพิจารณาด้วยเหตุผลว่าควรจะช่วยในรูปแบบไหนซึ่ง สิ่งที่เราควรจะช่วยก็คือเรื่องของปัจจัยสี่ถ้าเกิดเขาขาดอาหารเขาไม่สามารถหาอาหารเองได้เราก็ต้องช่วยเขาให้เขามีอาหารรับประทานไม่มีที่อยู่อาศัยไม่มียารักษาโรคไม่มีเครื่องนุ่งหม่มอันนี้เราก็ต้องช่วยกันแต่เรื่องอย่างอื่นนี้ไม่จำเป็นต้องช่วยเขาต้องถ้าเขาสร้างปัญหาขึ้นมาเขาต้องแก้ของเขาเอง ถ้าเขาแก้ไม่ได้ก็ต้องไปติดคุกติดตารางมันก็เป็นเรื่องของเขาถ้าเราช่วยมันก็จะไม่แก้ปัญหาเพราะเขาก็จะทำต่อไปเช่นเขามีหนี้สินเราก็ไปช่วยถ่ายถอนหนี้สินให้กับเขาเพราะถ่ายหมดเขาก็ไปสร้างหนี้ใหม่ขึ้นมาแล้วก็มาขอร้องให้เราช่วยแต่ถ้าเราปล่อยให้เขาไปแก้ปัญหานี้เองแก้ไม่ได้ต้องลบนละลายติดคุกไปเขาก็จะได้เข็ดหลาบเขาจะได้รู้จัก วิธีการบริหารจัดการกับเงินทองของเขาให้อยู่ในกรอบที่ไม่สร้างความทุกข์ให้กับเขาคำถามต่อไปจากคุณภาวนา ม, ม, มีกี่คำมีเยอะไหม เ, เอ อ, วดเดวเอไว้แบบไว้พรุ่งนี้มั่งก็ได้ <laughs> <laughs> เยอะเลยค่ะคำถามต่อไปจากคุณภาวนาเวลาไปงานศพเขามาพูดว่าให้ไปขอขามาศพ ลูกพิจารณาว่าที่เราเห็นตรงหน้ามันก็แค่สร้างศพไปขอเขา้าไปขอขามาศพได้อะไรการขอเข้ามาควรทำเมื่อมีชีวิตอยู่เพื่อให้อภัยซึ่งกันและกันไม่จองเวรจองกรรมกัน ตอนมีชีวิตอยู่ไม่ยอมให้อภัยกันแต่พอฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งตายรีบไปขอขมาโศกและเราจะได้รับการให้อภัยหรือเปล่าจะรู้ได้อย่างไรพิจารณาแบบนี้ถูกไหมคะถูกแล้วถ้าอยากจะขอขมาก็ควรจะขอขมาตอนที่ยังมีชีวิตอยู่ถ้าตายไปแล้วผู้ที่ไปเราไปขอขมานี้เขาไม่รู้เรื่องแล้วเขาไปแล้ว แบ่งปัญหาไว้ประมาณควรละคนอย่างละครึ่งก็แล้วกันถึงครึ่งหร<อ>ือยั ง, งถ้าถ้าถึงครึ่งแล้วก็พออถ้ายังไม่ <c oughs> ถึงัคคนไปเลยถ้าไม่อได้ให้มันถึงครึ่งข้อที่สองเวลานำศพคนตายไปที่วัดมีคนบอกว่าต้องจุดธูปตลอดเวลาเพื่อนำศพไปที่วัดธูปห้ามดับ คนตายหาศพไม่เจอลูกมาพิจารณาคนตายไปแล้วไปไหนแล้วก็ไม่รู้ถ้าไม่จุดทูบหรือทูบดับมันจะเกี่ยวกันได้อย่างไรต่างประเทศก็ไม่ได้มีทูบทุก ป, ประเทศแล้วถ้าไม่จุดทูบจะเป็นอะไรไหมคะไม่เป็นหรอกมันเป็นความเชื่อของแต่ล ะ, ะสังคมเท่านั้นเองอถามได้ กับพระอาจารย์ครับคือตอนเนื่องจากปีที่แล้วที่ผมมากราบสนทนาธรรมกับพระอาจารย์คือผมภาวนาจนมันมีหลายๆครั้งที่รู้สึกตัวเอง mm. เห็นโครงกระดูกตัวเองแล้วก็เห็นไปซากศพครับแล้วตอนนั้นพระอาจารย์ก็บอกว่าให้ผมพิจารณาอสภกรรมฐานต่อไปเรื่อยๆเจริญสติไปผมก็ทํามาตลอดตัวนี้หนึ่งปีกว่าครับพระอาจารย์คือเห็นการเปลี่ยนแปลงหมายถึงว่าคือผมดูเคสคนไข้ไปเรื่อยๆ เ, เนี่ยคือ เรามีความรู้สึกว่าเราเห็นเขาเสียชีวิตเนี่ยคือเห็นเขาเป็นศพก็คือเห็นพ่อความชินเป็นอาชีพแต่มันไม่ไม่จับใจเท่ากับกับเห็นจากจากที่ตัวเองทาภาวนามาจนกระทั่งเนี่ยผมพิจารณาความเห็นคนแบบสวยๆทางาน ม, ม, มาครับคือปกติถ้าเราเห็นปุ๊บเนี่ยสติถ้าเราไม่มีผมก็จะความคิดฟุ้งซ่านหรือว่าจะมีการปรุงแต่งอย่างอื่นต่อไปเรื่อยๆจนเกิดอารมณ์ต่างๆตามมาแต่ตอนหลงัลงๆมาผมสังเกตตัวเองก็คือว่า พอผมเห็นแบบอย่างคนสวยเดินเดินผ่านมาหรือว่าเราเห็นในในตามมีเดียต่างๆอ่ะพอเห็นปุ๊บเนี่ยจากเดิมคือความรู้สึกว่าเออคนนี้สวยแต่ว่าตอนหลังมามันมันเฉยพอมันเฉยสักแป๊บหนึ่งเนี่ยหลายๆครั้งครับอาจารย์ความรู้สึกความรู้สึกแบบบางทีเห็นเห็นเห็นเห็นรูปร่างคนนี้ปุ๊บเนี่ยมันจะมีความรู้สึกว่าเดี๋ยวสักพัดหนึ่งความรู้สึกของผมเก็จะเป็นแบบเห็นเป็นซากศพตลอดมาเรื่อยๆหลายครั้งเวลาทําภาวนาก็คือ พอกำหนดสติไปเรื่อยๆครับผมผมผมภาวนาใช้พองหนอยุบหนอครับพระอาจารย์จนจนความฟุ้งซ่านอะไรไม่มีก็จะได้กลิ่นเหมือนเหม็นตัวเองแบบเป็นศพเป็นอะไรอย่างเงี้ยมาเรื่อยๆ เ, เป็นอย่างเงี้มาตลอดแต่ผมก็คือพิจารณาแบบอสุภะกรรมฐานไปก็คือว่า่าเริ่มจากตัวเองก่อนครับเดี๋ยวก็เป็นจะดูเป็นท่าศพมาไรเงจนจนมันติดไปเรื่อยจนเดี๋ยวนี้กลายเป็นว่าถ้าผมเห็นคนเดินไปเดินมาหรือแม้กระทั่งตัวเองเนี่ยที่ก็ ก็รู้สึกแบบมีมีกลิ่นเหม็นเน่าเน่ า, นาคือเน่ามากแบบเหมือนที่ศพที่ค้างๆมาเอามาชนสูตรเยอะๆองไงครับพระอาจารย์เป็นอย่างนี้ตลอดก็เลยอยากเรียนถามพระอาจารย์ว่าผมจะทํำยังไงต่อครับคือการพิจารณาสุภาณีเป้าหมายก็คือการดับการมารมณ์การที่อยู่คนเดียวไม่ได้ต้องมีเพื่อนนอนอยู่คนเดียวแล้วเหงาว้าเวการไปมีเพื่อนนอนไปมีคู่ครองนี่มันก็เป็นการไป สร้างความทุกข์สร้างเวรสร้างกรรมกันถ้าเราหลีกเลี่ยงการกระทำเหล่านี้ได้มันก็ตัดปัญหาตัดกองทุกข์ไปได้กองหนึ่งเน้นถ้าหมอยังเป็นโสดได้ก็ถือว่าก็ดีถ้าขนาดเห็นอย่างนี้แล้วยังไปไปแต่งงานก็แสดงว่าใช้ไม่ได้ยังโสดอยู่ครับยังไม่มีแฟนครับอาจารย์ถ้าเห็นอย่างนี้ก็คิดว่าคงจะไม่อยากจะมีแฟน กับไข่นะก็อันนี้ก็เป็ น, เ ป, นเป็นผลที่เราต้องการโดยเฉพาะถ้าเราต้องการจะไปในทางธรมรมต่อไปเช่นเราไปบวชหรือไปถือศีลแปดเนี่ยการที่เรามีอสุภกรรมฐานนี่จะเป็นเหมือนอาวุธปกป้องจิตใจของเราไม่ให้เกิดความฟุ้งซ่านไปกับกามอารมณ์ต่างๆก็ให้ใช้ไปพอให้มันเป็นมัชชิมาอะ่าไปถึงขั้นว่าพอเห็นไครใกล้ เบื่อหน่ายจนกระทั่งไม่อยากจะพบปะกับใครเลยอันนั้นก็แสดงว่ากินยามากเกินไปเราต้องการกินยาเพื่อให้ดึงใจเข้ามาอยู่จงจุดโอเบขาคือเฉยเฉยไม่รักไม่ชังถ้าเรากินมากเกินไปแล้วทำให้เราเกิดความชังไปไม่สามารถเข้าใกล้ใครได้เลยนี้เราก็ต้องหยุดการพิจารณาไว้ชั่วคราวเราใช้เมตตาแทนให้ความเมตตาความรักความ ปรารถนาดีต่อผู้อื่นเพื่อเราจะได้กลับมาคบค้าสมาคมกันได้ตามปกติครับนักสักการครับเอาเลยครับจะถามพอดีจิตพอจิตรวมแล้วครับพอจิตรวมเป็นสมาธิครับพระอาจารย์จะสามารถเดินปัญญาต่อได้ไหมครับช่วงที่รวมนั้นเดิ น, เ ด, นเดินปัญญาไม่ได้เพราะเป็นช่วงที่ความคิดปรุงแต่งไม่มี จะเจริญปัญญาต้องรอให้ออกมาจากความสงบแล้วเริ่มมีความคิดปรุงแต่งก็ดึงความคิดปรุงแต่งนี้มาคิดไปในทางตายรักคิดในทางอสุภะอย่าปล่อยให้ไปคิดในทางตรงกันข้ามกันไอ้จิตคิดเป็นแต่ยรักเกิดขึ้นต้องอยู่ดับไปนะครับมันคิดเป็นพักๆแล้วก็กลับกลับมาอยู่กับโลกนะครับจะทําไงให้มันกลับมาอยู่กับตารักครับพระอาจารย์หรือคิดบ่อยๆครับก็ต้องบ่อยๆบังคับเห็นอะไรก็ต้องบอกว่าเป็นตารัก เห็นเห็นคนนั่นคนนี้ก็ว่าเป็นไตรักระเห็นสิ่งนั่นสิ่งนี้ก็เป็นไตรักระเห็นายยลาบยศสรรเสริญสุขก็ว่าเป็นไตรักระมีเจริญมีเสือ่อมมีเจริญมีเสือ่อมใช่ไหมครับไม่ใช่ของเรามีทุกตามมาครับถ้าเราเห็นอยน่างนี้เราก็จะไม่อยากได้ายยลาบยศสรรเสริญสุขเราก็จะอยู่เฉยๆได้อยู่กับราบอยู่กับการไม่มีายยลาบยศสรรเสริญสุขได้มนทรีจิตมันอยู่กับการงานและจิตมันรวมสมาธิ ครับอยู่กับลมหายใจจนเมื่อที่ลมหายใจมันดับไปเลยครับก็ดีก็ปล่อยมันดับไปไม่ไม่ไม่เป็นไรใช่ไหครับ เ, รเพราะแล<ม>้วตกใจว่ามันอยู่กับ ก, ก, กับลมหายใจมากเกินไปจนจนสติมันไม่เหมือนอยู่กับปัจจุบันนะครับมันไปอยู่ลึกเข้าไปในลมหายใจครับมันมด<อ>ุดเข้าไปข้างในก็จิตรวมไงก็เป็นสมาธิแต่ก็ต้องระมัดระวังว่ามันควรจะเป็นเวลาที่เราไม่ได้ทําอะไรถ้าเราทําอะไรเช่นควบคุมเครื่องจักรอยู่ถ้าจิตมันรวมเดี๋ยวมันก็ จะเกิดปัญหาตามมาได้ตอนนั้นมันรวมตอนไหนนะ่ะตอนนั่งทํางานนะครับนั่งทํางานมันรวมเะครับผมแล้วทํำยังไงก็นั่งเฉยๆไปครับก็ออกไปเดินบ้างครับพอไปเวลามันรวมไปเดินได้ไงลนะ่ะได้เหรอยังเดินได้เะรอถ้าเดินได้ก็ไม่รวมนะครับอ่ก็อาจจะรวมแบบไม่เต็มที่ก็ได้ ก, ก็ก็ใช้ได้ถ้ามันใจเย็นสบายเบาไม่มีอารมณ์กับอะไรต่างๆ ก็ถือว่าดีสามารถดำเนินกิจกา ร, รกิจกรรมต่างๆได้ก็ดีขึ้นดีก็อนุโมราบขอบคุณพระอาจารย์ครับทำให้ศีลดีขึ้นมาสบายแล้วพระอาจารย์เทศเรื่องกุศลกอกุศลนะครับอก็ <c oughs> พยายามรักษาจิตแบบนี้ไปด้วยสติด้วยปัญญาไปเรื่อยๆครับแล้วศีนอะไรต่างๆมันจะตามมาเองของทุกอย่างมันเป็นปลายเหตุต้นเหตุอยู่ที่จิตเราตัวเดียว ถ้าจิตดีแล้วการกระทําการพูดต่างๆมันจะดีไปหมดถ้าจิตเราไม่ดีการการคิดการพูดการกระทําของเรามันก็จะไม่ดีไปหมดอั่างพยายามรักษาจิตให้มันดีให้มันสงบจิตจะดีต้องสงบจิตเป็นอุเบกขาแล้วมันทุกอย่างมันจะดีไปเองครับขอบพระคุณครับเมีใครอยากจะถามอะไรไหมถ้าไม่เมีก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา